นี่มากับความเย็นหนาวไหมครับแบบนี้ปีองศาไหมครลบองที่แค่สิบเจ็ดเทานัไม่มากเช้าไปที่วัดอู่ว่าประมาณสิบห้าสิบห้าเลยครับที่วัดมันก็แบบนนไม่ได้มากรกฐ า, านอาจจะต่างก็คงจะใต้เคยีย ดีลิวคำนี้มันไปคุ้งหรือเพื่อลืมลืมคคําทิงคำซีดีที่หลวงตา่าวถึงท่านจางโน้ยมาแต่ว่าเดีจะฝากตัวเมษมาค่ะแล้วก็จะมีอันหนึ่งเป็นมีซีดีที่ถึงรูปนะแล้วก็การแค่คราวที่แล้วเราก็ยืกมา ท่านกลับไปที่ที่วัดคงไม่ใช่ที่ที่รีสอร์ทนะนะคงท่านยึกค่ะตอนไหว้ประเสริฐได้ได้เทคมาท่านท่านพูดดีกับท่านโหนท่านมาที่นี่เนี่ยมีคนบอกว่าได้ขึ้นมาข้างบนท่านบอกท่านมาเพื่อจะท่านแต่แสุดท้ายว่าได้พบแล้วเลยก็จบเสร็จแล้วท่านได้มาเพื่อสถา่ จำเหมือนลูกท่านเนี่ยเพราะอยู่กับท่านก็ต้องเกิดก้าวตีั้งจามัานก็เกิดมาแลเดินได้ประมาณครับเกิดอาทิตอยู่อยู่ที่ว่าโดนยังไงครับบนะครับที่ตอนที่จะผมผ้าหรือไม่เต็มให้คลองนะไรับเพื่อจะเายงใหท้าก่อนและพอรู้สึกว่าเราสามารถเดินทาง นด้โดยที่ไม่ไม่ลำบากเกี่ยวกับเรืเ่องกาเสื่อสารการดูแลรักษาบริการอะไรางๆด้กาบยาผมบอกว่าเราจะขอขึ้นอยู่กับนุกกาก็ไม่จะหลอกไปอยู่กับครแขอไปที่วัดป่ามิจาผมเดี๋ยวคงจะบอกว่าพันนี้ว่าแต่นิกกาจะไม่ยากใกล้เคียจ น, น <c oughs> <c oughs> ถ, ถ้าหนือยถ้าอนุาตให้ตหาแล้วแต่ตองค์กาจะรับที่อยู่นั่นก็เป็นเป็นเรื่องของาอาเถ้าเหมือนจาเกิดใหม่นะเหมืกว่าเป็นเด็กเกิดใหม่ไม่ัมไม่ยืนาทางด้านการเป็นพระทที่ที่งไปเกิ ด, ดตอนแรกก็ไปไปไปเหทางสนนพระองค์คนหง ที่นั่นเขาบินสบายเดินเร็วมากที่เาใส่เยดินเร็ลยรถไฟไปกันแรกคนเป็นั่งรถไฟไปตอนเยนมาถึงตอนเช้าอยู่ตอนเช้าเลยแค่มีรถที่ยากเดินที่อินโดนตอนเย็นนะครพอมากกอมถึงที่ตาลาราว่าจะเดิได้เวลาที่จะบินสบายเราเตรียมบับงถแล้วก็ปักไปดินกัน ขาไปก็เดินตามปเตะสบายสบายสบายโยเฉพาะขากลับเนี่ยพอบ้านหลังสุดท้ายใส่บาตเสร็จรับบาตของหลวงตาปักโอ้โหท่านโกยนักเราไม่เคยวิ่งไม่เคยเดินวิ่งอ่ะคือไม่เชิงไม่เชินพอวิ่งอ่ะจำได้แต่พวกที่เขาแข่งทางโอ่ิตแข่งเด็กเดินเร็วเด็กโอ้แล้วก็ ไม่เคยไม่เคยมีอาหารเต็มบาทเน่เข้าวเหนียวเต็มบาทมันหนะักแล้วก็ถล่มบาทล้วก็ถูกไม่แน่นพอพอเดินไปทางทางกลับมาขึ้นทางเถึงวันนี้มันหลุดนะถน่บานนคลุกี่วก็จะหลุดก็ต้อง ค, คอยอุ้คอยังไ่ถึงสาราเขาเขาเข้าที่ ก, กันเรนะียบร้อยหมดแล้วจัดแจากหาย น, น, นะกันรอว้จ ท้านงงอ่ะท่านแต่ท่านไม่าท่านคงไมพูดอะไรกพราโดยหญ่ถ้าเป็นพระใหม่นท่านจะไม่ค่อยที่จะใช้ใช้อาตมาารนี่ยท่านจะเลอกใช้นอกจากว่ามันรูกต่ว่ามันมันมันยากจริงๆนะอาจารยอาจจะว่า อันยัหมท่านกจะสังเกตุถ้าเห็นว่าเราเนี่ยทำต้องใจมีความเป็แบบค่ากับเขาจะเป็นไม่ได้เขายองคารัลก็จะเนื้อเกือนก็ดีถ้าพิจ่รเรื่องเรื่องประมาทพลาดในพิจารณา่านจะรับข้าประมาณสิบห้าสิบกปีอร่้ แม่พอท่าอนี้ให้อยู่ได้เนี่ยเขาพระที่กล่าวว่าเป็นความดีกก็จะท่านจะรักรนี่ไม่ม่เนของไพระจะรายลุ่มใกันที่อยู่ท่านจะไให้อยู่ตรงการที่กงใก้เขาสสารตรงนี้ไปเนียตรงนี้ไปนีานมอยู่ได้ ในลอดรวมาท่านก็ยังมีกักไว้ส่วนท่านเองที่มาจะประวัติบอวนที่พระนี้ยแต่ว่าตอนแรกที่มาเราได้จบกันว่าอยู่ได้ชั่วคราวแต่ท่ประวัติบอวท่านกระวัติบอวจาระจท่านวันแรกขึ้นาท่าบอกว่าอยู่ได้ช่วค า, าวปฏิไม่ว่า แล้วท่านก็ไม่พูดอะไรอีกเกิดมาเรื่องการเดินท่านั้นไปเดินในษ า, าเดินในศาลท่านก็จะมามาพูดทั้นนี้ที่จะรับนั่รับประมาณว่เดินก่อนก่อนขาพั า, า, าจะเป็นมนิจฉาท่านนั้นกนาลังอยู่ท่านกนาลังกระชินกระชินพระเระก่อน การที่จะเททำใจะหนี่ไปเรื่นเห็นอนี้ที่มาจากวัดบาวังาได้แต่อยมาว่าว่ามีเรื่องเช่ทางท่านก็ไป่า่อไม่ไม่อยูไม่ได้ไ่ท่านก็ไม่คืออะไรแล้วท่านก็เทตัขึ้นมองตัวต่ปเรืยก็ชมไมขนาดเกินไ ตงมาพูดกับองนะจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้นยุดับท่านี้ยเผือทั้นได้เห็นคุณค่าของการไดเอยดว่ามันจะได้อะไรจะได้ท่าทางมีอท่าใจก็ของเรที่ได้มา ไ, มไง่ายๆเราต้องเห็นคุณค่าตัว อย่างคณได้ที่เราได้มนาะด้วยความยากทางวิญญางนี้เราจนะพยายามพัฒนาเนี่ยถ้าอยู่มาตลอดป้าปีแรกก็ไม่ได้แต่งเลยเพราะว่าอียู่กับท่านตลอดถ้าเราไม่ได้คุณมาเข้าวิญญาณทํนานกำหนดเลยว่าถ้ายัางไม่ได้ห้าพรรษาท่านจะได้อนุญาตให้อยู่ปราศจากคุณบาอาจารย์จนเราบวชได้สองพรรษา ด้วยภาษาอย่างแล้เราขอไปทีด่ดวงดวงเดือนอย่างนี้ก็ อ, อยู่ที่ในในในอะไรในในการวิจัยของครูบาถ้าคุณว่าถ้าไปโดยมีเหตุผลไปเฉพาะที่ไปมีเวลาอย่างนี้ถ้าท่านเห็นว่าจิตมีพลังพอที่จะดูเวลเองได้ท่านก็อาจจะบอกว่าไปแต่เห็นว่าไปแล้วไม่เป็นประโยช แต่ถ้าท่านเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์แล้วท่านกับมาให้การมีภาพบางรูปอยู่ที่นั่งอยู่ได้สองสามพรรษาแต่ยังไม่ได้ครบห้าพรรษาคุกคือท่านเองเมื่อสักยังไม่ได้ห้าพรรษหนึ่งแล้วก็ไปขออาจะไปประเทศเดิมเวลาสองสามท่านท่านเจ้าแม่นญาตท่างสุดท้ายไปลายทา่านจะบอกว่าถ้าไปจะไม่ต้องกลับมา ถ้ท่านจะดูติตของผู้ปฏิบัติเป็นหลัอษานี้ก็ไม่ไม่สาคัญนักบางทีได้ห้าษาแล้วถ้าท่านเห็นว่าเนี่ยไม่สมควรที่จะไปไปไแล้วเเสียบาทีไปแล้วมิเสกไปแล้วก็พยายาิากท่นพยายามจะดึงว่าเหว่าอยู่ในเนได้ติกามและที่วัดก็ตะวัที่มีพาที่ะา ถ้าปฏิบัตได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปที่ไหนก็นะเใวัดนะั้นม็นสงบดนะีได้ใจมันก็อย่างว่ามันม่ค่อยชอบอยู่กับที่ถ้าอยู่ที่ไหนนานๆแล้วมันก็เกิดทางเบือ่อนานอยากจะไปดูสถานที่ใหม่จิตมันก็จะลอกคิดหัอให้เราคิดว่าไปที่นั่นดีเป็นที่ดีดีอยากได้อะไ้อย่างนี้น ก็อยู่ที่ครูบาอาจารย์ดีที่สุอยู่กับท่านแล้วก็ข้าพเจ้เหมือนกว่าเราเป็นเหมือนลูของท่านทุกสิ่งทุกอย่างในท่านท่านเวลาก็สบายดีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีภาระผิดๆหนึ่ ง, ง, งมีหน้าที่เพียงตอก็ออกไปดื่มเบางทำมาสังเก็ใชลกันกนี้นทาความสะอาด้างาหลังจากนั้นก็ลังจนนานล้างบาตล้างอะไรเรียบ้ยล้า กับจิๆก็เป็นเวลาพอนจนถึงช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองโถ้าอยากจะทำาน้นลากาแฟตอนนันก็มีที่ที่เตรียมไว้ให้ไปทำกันได้หลังแล้วก็ก็ปัดกวาดจังปัดกานี่ปัดกวาดไปเรื่อยนะคทำาลาสต์ตาลาถึงน ฝักน้ำในดอกใสใส่ติ๊บใส่รถเข็ น, แ ล, น, นแล้วก็สเทสตามหองน้ำต่างๆใปิตทิอเปิดิบมแล้วก็จติ๊บสังนแล้วก็ภาวนานต่อบางวันถ้าท่านจะปิดมนก็จะเรียกท่านจะให้พระมาบอกนอนใกล้ๆครๆกข้มพ อ, อ, อ, อพอพอระมาบอกก็กำลงรี ไปเลยเพราะว่าท่านจะไปนอนอนยะู่แล้วท่านจะนั่งรออยู่ก่อนทนะ่านจะปล่อยให้จิว่อาจารย์นั่งรออยูวนวันนีไม่ถึงกับการรัเองอย่างนี้พอไม่ว่าจะทำอะไรอยู่พอพอระก็บอกให้ช่วยมันทำเดียวไปแนละ้วอีกดใสขายหีกถทา <S 2> <S 2> <S 2> ่านี่ยนักจีวรพอไปเสงาท่าไปก่อนระเตียนไปจับที่เอาเอาท่าจูหนั่งไปจับ ติดทิงติเทียต่างเมื่อมีไฟฟ้า่ว่าทองเที่ก็มีเทียนแค่สองสองดอกที่ายูากพรคทีตั้งใจจะอยู่มีใหม่ฝนใ่นหมใชก็เนี้อก็พอร้านพ้าเรียนกละวัิกับลกไปั่งท่านก็นั่งตนี้พอย่างนั่งใพูเฉยเนี้ยที่ตรงนั้าที่ตลางข้างบน เมื่อก่อนที่ชั้นล่างจะเป็นใต้ถุนยืนเหลวว่างๆเจ็บพวกกองไม้ของเข้าของต่างๆแล้วมันเตี้ยเวลาเข้าไปนี้จะต้องก้มคุ้นจับควาสูงประมาณนี้กว่ากว่าไม่สามารถยืนตรงๆได้แล้วต่อมาก็มีการพัฒนาคือเดิมมันเป็นไม้แล้วมันเริ่มถุนเรืออะไรก็เลยมีการเปลี่ยนเป็นปูน ก็เปลี่ยนกันทีละต้นสองต้นถ้ายกยกต้นนี้ขึ้นแล้วก็ตัดต้นนตัดตัดออกแล้วก็ส่เไปแต่ตอนนั้นก็ยังไม่สูงยังทียนเทียนแรกยังไม่ได้ดีทาทีลต้นทีลต้สองต้นทยอยทำไปเรื่อตอนที่ทดีน้นน่าด้อยู่แล้วที่แต่งอยู่ที่ร่นเหี่ ปุตินี้อยู่กุติเดียวตลอดใส่ทั้งแปดข้อปีนะฮะล้วมียายรับเคร่มียายสร้างข้อตอนที่ไปสร้านั้นปุติภาคที่ข้าวิปการของเขาเต็นท่านเลยฮะให้เปอยู่ปุติรับรองที่ธรรมดาจะให้ผูญาติเยี่ยมาว่าที่ที่ไักอยู่กันก็ภาษานั้นก็อยู่อยู่ปุติรับรองเป็นปุติสองชั้นอย่างข้างบนอยู่ข้างล่างแล้วขงัก่ข้งบนมีทาง มีสองห้องอีกิห้องหนึงส จ, จะเก็บข้องูหนังสไว้ก็พอพอออกกัาแล้วก็ตอีช่วงตะถิ่นก็จะมีครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ท่านมา <c oughs> กราบว่าครูบาอาจารย์ขอย้ายออกไปตอนนี้ก็ช่วงนั้นก็มีกติว่าก็จะอยู่สติอุตนินี่เป็นส ต, ติเลกติเยอกติ ทั้งเดียวจดี๋จะติดไม่ไม่ยกขึ้นสูงมากยกขึ้น ม, มาแค่สองเดียวก็อยู่นั่นก็ยังติดสองตีแล้วก็ปยะเดีกยวจะติดยาสูงกว่นิดหน่อยอยู่ที่นมงก็ยายไปแต่ทุกกตินี่จะมีนอกจากจตัวกติแล้วจะมีข้างหลังปิติาถ้าเป็นฝาข้างหลังกิติที่เราไปทาํางานอะไรตเป็นที่หลบ ก็เป็นใลก้ายกขึ้นมาสี่เหลี่ยมประมาณสองเมตรสองเมตคูสองเมตรมีม้าังคาหังสือเป็นเพลนเลยถ้าอยากอยู่ที่นี่ก็ได้แต่บางทีก็เอาผ้ามาถ้าจีวงกับที่ให้ทำทำถึนทำเป็นฝาเพราะที่กุฏินี่จะธรรมดาจะสร้างในที่โล่งแต่ถ้าเราต้องการอยู่ในร่ม ไฟลุงไม้เราก็เข้าไปอยู่ในร้านใน ป, ป่าโดยใหญ่ตอนละวันก็จะ <c oughs> ก็จะเข้าไปเดินเป็นกลุ่มนั่งสมาธิบางวันส่วนกสตินี่ก็อาจจะมาตอนตอนเย็นตอนค่ำตอนเช้าเพราะว่าถ้าในหน้าผนนี้ก็อยู่ในร้า น, นี้อากาศมันจะชื้นแล้วมันจะกดดันทำให้เป็นไข้ได้แต่ถ้ามาอยู่ที่สติมันก็อยู่ที่ที่เรา อาจารย์คนไม่ชื่นชอบแต่เราแค่เป็นข่าวสารแต่มาเมื่อก่อนจ็ไม่ทราบเคยเคยเคยอยู่เคยอยู่แต่ในร้านเพราะฉะนั้นกุฏิมันไม่พออยู่กัน <c oughs> เราต้องเลือกเราจะอยู่ในร้านไม่จะอยู่นกุฏิก็เลือกอยู่ในร้านแล้วตอดีมันก็โชคดีคนแล้วก็ทําให้เป็นไขย เป็นต้องไปหาหมอที่ที่ในอนหมอเขาก็จีดยาให้จีดก็ไม่หายก <c oughs> ็เลยลองมาอยู่ที่ศุนย์คือในร่มพออยู่ได้ขึ้่นหมอเพือนมันก็ดีขึ้นมาสังเกตว่าอากาศที้นก็มีส่วนกับสุขภาพร่างกายท่าเจ็บเมื่อยไดเคอบรมไสอนอยู่คณะที ท่านปัญญาส่วนใหญ่จะทำหน้าที่แปลหลงังจากทีท่หลวงตาท่านเทศเสร็จแล้วท่นท่านกบอก่ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟังสมันั้นจะมีพระทาสต่างประเทศอยู่ประมาณพระห้าหกรูปท่านปัญญาก็จะสอนบทท่านังประมาณพระสิวันทีเรื่องในหลวงตาท่านก็หด้าเหมอท่านน้ำทานหนาไปพระรูปหนึ่งก็นั่งสมาธินั่งภาวนาไปร้อยท่านปัญญา อธิบายใเสร็จเรียบร้ออธิบายเสร็จแล้วก็่ัตย์ยาวเสร็จ แ, แล้วครับต า, ตายเสร็จแล้วเหรอไม่เลยผู้ใดเกี่ยวข้องกตอนนั้นท่านมาแล้วหรือท่านด้มาหลังอาจจะมาเ่เดืสองกุมภาพันธ์ลูกปีตอนที่อลังจะมาไปแล้วมันมีท่านปัญญาท่านเซอรี่และก็มีท่านเอียง มันจะเป็นสาวนีท่านเอวไงท่านท่านเป็นชาวจิตท่านลาสุขาก็แล้วเมื่อสปีก่อนท่านพอดีอยู่กับท่านอาจารย์เคยอยู่หลายอยู่ข้างล่างกลางข้างล่างข้างล่ไปทากไปกลับไปทีประเทศจิตแล้วก็ไปที่ออสเตรเลอยท่านลาสุขาก็แล้ แล้วหลังจากนั้นในปีสองปีก็มีพระมาเพื่มมีท่านดุ๊กแล้วก็มีชาวอังกฤษหนุมรุ่นหนึ้ก็ชาวออสเตรเลียก็อยู่ด้วกันในทศทางเวลาที่ ท, ท, ท, รรท่านการเพืก็จะได้ได้ปัญญาอธิบายสรุปว่าหน่งตาได้เท่าได้ก็ได้พเสร็จแล้วหงตาท่านก็จะคุยกับที่จะคุยแบบเป็นมานานกัน เรื่องการปฏิบัติของใครใ น, น, นการอยู่แบบอยูนน่ันก็เรื่อแลาวต่างๆก็เป็นเก็บความนีควาไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ค่านจะตอง่ายประมาณแคสี่ถห้าทั่วโมประชุมใจก็ประมาณชั่วโมงครึ่งดืนสองที่มอะไรแกบน จาก็ตามต่อที่พักต้อไปภานาต่อไปเรียนจนจนให้สมาทิต่อจนเป็ น, น, น, นเวลาพักพ็พอตืน่นข้มา ก, ก็ปฏิบัติกันต่อตเป็ น, น, นเป็นเวลาไปเรียนปริบายก็ปไปยังทุตระลาเปลี่ยนจากลักษณะต่างๆถือถือคื่อเมื่อตระลามาพาคื่นี้นั่งก็ใช้ไม่มี คืเขาใช้แบบพื้นบ้านใช้ใช้เทียงไผนี้เป็ น, เ ป, นเป็นเป็นหนังแว็กเราไม่ทําไม่ซื้อแวก็กต์ของที่ผลิตเขาจะเอาเทียนไผมาต้มกับน้ำมันคกานแล้วก็เอามาผ่าย่นว้ยย่ไว้แล้วพอมันแห้งมันก็จะเป็นจะเป็นแว็กต์ทุ่มทุ่คทุ่มทุมเนื้อมาไว แต่มันจะมีรอยถ้าเราเดินเวลาราเดินหยุดรอยเยอยท้าอะไรอย่างเี้นันทุกเช้าทุกเช้าทุกเย็นจะต้องเอากระลามาเทา้าเรี่งเมาเท้าห้ามเนี่ยมาเท้าแห้งผ่าขึ้นทั้งทั้งกลถึงทั้งตัวั้งมเท้าทั้งทั้งลูกเลยเ่าขึ้นแล้วมันจะมีขนที่ขอบเ่จากมาเท้าขนนเราจะเป็นเหมือนกับเป็นหนังตา ก่อนจะจากพูดแล้วก็เงยมือเงยือเงยมืนี้ก็เดยมันมนมันม้วนานี้คข้างหน้าคงจะเป็นปูเป็นกระเบื้องเป็นอะไรแต่ละที่การขัดนี่วเวียนนะฮทุกคนต้องทําดทุกคนต้องทำช่วยกันทุกคนที่ลงไปทางกอนเช้าช่วยทำาะั้นทุกคนต้องมีไปให้ทันพอไปหลังเขาอุ่นไแดงว่าเอาลกประ อาจจะต้องมีต้องพิจารเกิดจะพับความันอย่างเกีเ้ยกาเลืเ่อนถืนว่าถือกันกอยู่ก็ได้เลยหรือเกี่ยวกับเกี่ยกับการการเกิดเรียนผมเปียกคลุมประวัตอยังเป็น้หนหนาวถึงเวลาควบคุมสายก็คงหนาวจริงก็ยังต้องมีระบายอย่าเวลากดินถนนนั้นมันเป็นถนนลูกลงังไม่ได้มไม่ได้ราดยาง ไอ้ไอ้มุ่งแงที่เป็นก้อนก้อนมันเป็นนกับนีมุกนม้น้ำแข็มนยัม่ก้อนเเดินต้องเดินเท้าฝ่ า, ตา น, <c oughs> นต่อรมานานการ่การฝึกที่ดีต้องยกน้ำดน้าใ <c oughs> น, นตอนบ่ายก็ท่านก็ให้แบ่งใครใคร ท, ที่ถ้าไม่มีกำลังพอก็ให้เป็นไปทำที่ยาล้วเดกไปกว่าถืทไอ ชลาควอมห่ายครั้งหนึ่พหนึ่งหนึ่งที่มีแรมากมากก็เชวยกันคือที่ที่ที่บ่อน้ำจะมีมีคำที่ใช้หนึ่คโยคะแล้วถ้าแล้วถ้าใส่ไปในปีปีแล้วมันกล้าแล้วใส่ไปในรถเข็นล้แก็พอใส่เปครั้งหนดมีอยู่สองสามครั้งนี้เต็มแล้วเขาก็เข็งไป การนี้ท่ากันเท่ากันต่อคนนี้น่าที่เยอะไปหน่ <c oughs> ยอยคนที่เห็นไปก็ไปตามห้องน้าไปตามสุสานะเพราะธรรมดาตามสุสานจะมีจะมีองค์น้ำอยู่ที่ที่กุญมันได้เวลาจะขึ้ น, นสุสานจะไปน้ำล้ำางเท้าแล้วถ้าบางกุสาถ้าเป็นของพระที่ใหญ่ก็จะมีห้องน้ำํำก็จะเอาน้ําไปใส่ในห้องน้ําด้วย ก็ดีก็เหมือนตาท่านก็ไม่ต้องการให้มีความสะดวกความสบายเพราะมันไม่เสริมความความเพียรความพีายามเหอนเียวกัารทีกอย่างมันสบายแล้วเวลาจะภาวนาจะเดินจขมิ้นก้าไม่ออกร่างกายเราตงเกรติถึงแค่านั่งนั่งนออมากๆนี่มันจะไม่มีแรงพอจะทำองานทีรู้สึว่าโอกมยากหือ่า แต่ถ้าเราทำอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ตัวจะทำอะไรขึ้นอย่างนี้ทาอะไรนี้เลยจะ เ, เดือดร้อนเลยเรื่องเรื่อ ง, งน้ำตกปลาเรื่องไฟฟ้านี่มีคนจะเอาเข้าไปทำงนานแล้วคุาอ่ ถ, ถ้าปล่อยให้ว่านี้เป็นไปตามความฝั น, นของญาติโยมมันจะยิ่งเสียยิเกาว <c oughs> ไม่หรอกอิออมาตมาไปอยู่งานจ้างแบบคนยากจนอยู่ไปไอยู่แบบคงเวลาไปแบบต้องไปทางานทาการทางานไปเรียนไปด้วยสรข้าวไปด้วยลเวลามีเงินเยอแค่ค่เยอะแค่กินข้าวได้นี้วันละนแค่นก็กินรอทึงเย็นถึงกินข้าวนึงเป็นนที่ที่มีมันมีเท่านั้น แล้วหางานทําไม่ได้แต่พอหางานทำได้ก็ก็ดีขึ้นงานที่หาไม่ได้ยยางงาทุกส่วนใหญ่งานที่จะได้ก็เป็นงานร้างจานงานของเองไม่มีแล้วเราก็หมาไม่อยากจะทํางานอย่างนี้ก็พยายามเลี่ยงเหมือนด้วยการอายัดอดยัดอบดีกว่าแต่พ อ, อไปทํา ง, งานแล้วมันมันไม่ไหวอากาศเยีย็น วเวลา เ, เ, เวลานหนังสือนเรียนไม่รูร้ว่อมันอะไรอย่ละนี้นจุดต้องยอมยอมล่างันทั้งที่ตังแต่ฉันน้้ฝนหรืงเปลาคะในเบื้องต้นสมัยก่อนจะฉันน้ำบอกันแล้วก็ฉันน้าฝนบ้างแต่จะได้เฉพาะในช่วงวันดีฝนวนนั้นมยู่แค่องูปที่ข้างหลังกา่ายังไม่ได้สร้างทั้ ง, งกลุ่ใหญ่ที่อยู่ด้านข้างอน คื อ, าอํางมาจำนวนคระมีมากขึ้นมากขึ้นท่านก็เลยให้สร้างแทง้งจาระบรูปอยู่ด้านละะ่าะห้าสอนตอนนั้นจอแล้วก็เลยมีน้ำฝนใช้ไหแต่ส่วนใหญนี้ตอนนี้ก็จะเอาน้ำบ่อนเนี่ยน้วที่เราเอาไปใส่ห้องน้ำใส่ในรน้้นสะอาดก็จะมีมีตุ่มไผ่สร้างอยู่ จะเอาเอาน้ำไปอส่แล้วเราต้องไปเวลาใครต้องการก็จะมาทุกคนจะมีกาคนลลกเวลาต้องการน้ำก็ตัดตัดน้ำด้วยชีต่อน้ำแล้วก็อาศัยมีกามันก็ไปเอาเอากลับไปทำก็สาารถจะทนได้น้กมาแลพอาเวลาที่ท่านไปที่โดวงท่านก็ต้อาศัยน้ำใน มนเป็นอาก็แล้วก็มันค่อ้างจะมีเสียงหที่มันจะเล็ดเข้าไปที่เราบลมมันก็เลยทาได้เรกเส้นฉัจังทางหลังเนี่ยในเลามันมันเป็นธรรมชาติของมันเร่องเกนร่างกากมันจะมันมันมันจะอากาศเย็นๆมันมากเกินไปฉันเส้นฉันช่วงระยบแมท่านออกเล็นต้องมาฟัข่ามัง ก็ไม่เคยออกมาเพราะเวลาท่านจะเทศเทะเยอครอบประเทศในครัวแต่และขอญาติโยมนึน่งที่เข้าไปที่ข่านอยู่ในครัวนี้ท่านจะเข้าไปใ็่ในครัวพอดีปีนั้นที่ไปพอดีกินอะไรที่เป็นโรคอะไรอะไรมาทำ ง, งานก็ <m> ไปขออยู่เพื่อปฏิบัติศีกเาหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนหลวงตากพิ่ญญบอกว่าถ้าจะมาเพก่ภาวนาประมาได้แต่ถ้ามาแล้วต้องเอาหมอเ อ, อยุดเอยายา เอาเอาเรื่องเอทางต so, ่างๆเกี่ยวกับร่างกายมาอย่างมาดีกว่าเขาก็ใจกล้าเขาก็ไปไม่มีอะไรไปเพื่อภาวนาโดยตรงแล้วท่านก็ไมจาาท่านไม่เคยท่านไม่เคยเทศที่คืนยังต้งหวมตั้งใจตั้งฟ้าวตั้งใจท่าไม่เคยไปเทศที่คืนเลยแต่เช่นนั้นท่านเมจาท่านก็ไปเทศที่คืนยกไว้น ช่วงที่ท่านมีภารกิจเช่นคืนไหนที่ตั้งเทพสอนพระให้เขาไม่เดิไปในตัวือหรือท่านมีการเป็นเด่นต้องออกกับพระรข้างนอกถ้าไม่เช่นนั้นละว่านก็จะเทพสอนที่เป็นอย่างเสือด์มาฝังเล่นเล่นทําเตรียมพร้อมเล้วก็สนญญาอยู่ที่ัหนัล้วก็จะเน้นไปทางด้านการพิจารณาทางวิปัสสนาการทากิจทัษทง การพิจารณาขังไรละังไอ้เหมนน่าเป็นไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตนไน่ร้องไ่หลงลังของอันนี้ถ้าไม่พิจารณามันความหลงมันจะยึดติดอยู่ยึดติดแก้ความหลงมันจะต้องพิจารณาอยู่เรืเร่ยพอยๆเพราะพอเราไม่พิจารณาพักความหลงมันก็จะมันก็จะกลับไปยึดแล้ก็ต้องพิจารณาจดกระทั่งมันมันมันไม่กลับไปยึดไม่ติด พอมันไม่ยืดไม่ตึงแล้วมันก็สบายร่างกายของเราก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราได้ถ่าวว่าคนนั้นไม่สบายเพราะนั้นถาวตายคะนั้นกายนี่ก็เฉยๆแขนใดร่างกายเราก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาจนเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นไม่ได้เป็นของเราพอมันจะเป็นอะไรเราก็จะยึดเฉยๆอยู่ตรงทีการพิจารณาแต่เราไม่สามารถพิจารณา กันได้เรื่อยก็เพราะว่าใจเรายังไม่มีสมาธิใจเราถือถือกิเลสมันคอยถุดลากไปเรื่อยขณะที่มีสมาธิกิเลสจะถูกถุกถุกถ้าได้ว่าลดกำลังเราถูกกดไว้มันก็จะไม่มาถุดรากให้ใจคิด่างที่เคยภาพคิดเรื่องอะไรชอบคิดเรื่องหานี่หานี่ทานี่ทานี่ ไม่เคคิดว่าพิจานาใจและพิจนาหน้าตาต่างกันแต่ถ้าเราทำจิตให้สนุกแล้วกิเลสมันก็จะถูกถูกกำลังของสมาธินี้กดไว้ถึงแม้จะออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังไม่มีแรงเหมือนเมื่อก่อนมัเหมือนกับคนที่ถูกถูกชบนั ก, นกต่พอยืนขึ้นมามันก็ยังถูกใยังไม่มีแรงมากพอ ตอนนั้นก็บรรยากาศดงที่เราจะพิจารณาทางด้านคือพิจาราคือพิจารณาร่างกายเราเป็นยุ่งต้นพิจารณาให้เห็นถึงความแตกตัวเปลี่ยนแปลงต่างๆขอร่างกายพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสีน้ำมอือใจมาจากมาผ่านมาพ า, าหงส์แล้วก็มาเป็นอาการการจิตใจ แล้เมื่อเวลาตายไปมันก็ยากกับคืนถึงดวงหน้าดวงใาไม่มันไม่ได้ไปไหนครองตายนอกจากเราไปทําให้มันเป็นมังลูกมันก็มันก็อยู่มันก็เป็นมันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งมันก็เป็นมาจากดวนหน้าดวงตาทีนี้ฝั่งนี้ก็เห็นฝั่งนี้ก็เข้าใจแต่พอไม่คิดแป๊บหนึ่งก็เจอความหลงมันก็กลับมายึดว่เป็นเราเป็นของเรา แต่ถ้าเราคิดถ้าเราสามารถคิดแบบนี้ได้ตลอดเวลายืนเดินนั่งนานในระยะสั้นๆจนมันกลายเป็นความคิดที่เป็นธรรมชาติกลแล้วเหมือนแบบเราหัดท่องสุขีตนต่อก็เราก็ต้องท่องอยู่เรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดมันมันขึ้นใจมันจำได้ขึ้นใจเร า, ก, า ก, ก็เลือกท่องกันได้พอเราจะครูอะไรทีไรก็เราจะขึะ้นใจลง เจ็ดคูณเจ็ดได้หลังนี้ก็ฝากถึตอบเช่นนไม่ต้องไป น, นไม่ต้องจะได้เจ็ดคูณหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดูสองปนสิบสี่มันจะมีคำตอบอยู่หาทีถ้าเราพิจารณาไปจะมาะ้า่มันติดเป็นลิสัยไปย่ในใจของ้มันก็จะมันก็จะมองไปอีกด้านเมื่อก่อนนึกมองว่าเป็นตัวเราของเราแต่ม่นมองแคาเป็นแค่ธาสี่ที่น้ำมีไปเป็นห น, าานึ่งรูปเทียงกนเป็นึ่งบ้านหลังนึ่ง มันเองแล้วก็ไปปฏิเสธมันไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของมันมันจะแากก็ไปเปลี่ยนแปลงไปบรรทัดมันไม่ได้ไปแก้มันไม่ได้จะเจ็ใกล้ได้ป่วยนั้นก็มันก็ต้องเป็นรักษาได้ก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ต้องอยู่ประมาณไนเก็นกว่าจะจากไปเกินกามันร่างกายจะดับไปหยุดทํางานโรกภายแ้าเี็บนั่นก็หายเอง หามอย่างเท้าวอนที่มันกังวลไม่ใช่ที่ร่างกายที่กังวลที่วุ่นวายใจเราเพราะใจเรามันยังยังหลงอยูยังนึกยังฝึกเพราะไม่ได้ฝึกกันแล้วถมยีฮับวันวันหนึ่งเราถามตัวเองวันวันเราพิจารณาเรื่องตัวใจเจ็บใจเราเราจะกทํ ยี่สิบชั่วโมงพิจารณาได้พค่ชั่วโมงนช่ถ้ารวมกันแล้วเมื่อไม่พิจารณามันก็ปล่อยให้ถ้าเสร็จคือความเหลื่อทังหล่เราตลอดเวลาในตัวเราตัวของเราแต่ถ้าเราทํางานต่อสู้กลังไปจนกระทั่งเรามีกำลังมากกว่าแล้วมันเป็นเป็นเนตายเป็นจิตตรงนี้แล้วมันฝังอยู่ในใจแล้วตอนนั้นมันไม่ต้องพิจารณาต่อไปก็ไ้ใ พอเพื่อนมองทีไรคิดทีไรมันก็จะคิดว่าเป็นธรมธรมดาธรรมดาเกิดแก่เกิบตายเป็นธรมธรมดาาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วใจมันจะหาความวุ่นวายมาจากที่หมันไม่มีโอกาสที่จะวุ่นวายเลยมันก็เฉยโดยโดยทางใจเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นเพีเป็นเจ้าของเพื่อเป็นเจ้าอมาม า, มาเป็นเจ้าของชั ว, วิตเราเมื่อเราได้สมบัติที่นหนึ่งมาแล้วเราก็เป็นเจ้าของสมบัติจริง แม้แต่เป็นสมบัติเราก็ยังหลงมาเลยเก็ยังคิดว่าเป็นของเราอีกแล้วพอเวลามันจากเราไปเราก็ต้องโสดเสียใจยเสียดายบางทีก็โกรธแทนถ้ามีคนเข้ามามามาจบชิงไปเราก็โกรธแค้นโกรธชิงคนที่ก็มาจบชิงเราไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาสองใจความโกรธก็เป็นความทุกข์เน คามเสียดายก็เป็ น, ปนควาทุกที่แน้จริงกาที่เรคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันไปแล้วเราไม่กลับมาแนละ้วทำไมต้องมาเดือดร้อนอะไรกับมันไปก็ไปไปช้าก็เร็วเราก็มันก็ต้องเราต้องจักมันไปดีๆมีใครมีใครเอาอะไรไปได้บ้างเวลาตายอยู่ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้ เราไปได้ก็ธรรมะหรืออธรรมะอธรรมะก็คือวิปัสสนาปัญญาสมาธิสีฐานที่เราทมันจะติดเป็นนิสัยละสายจะทําให้เราชอบประมุนทางทานชอบรักษาสีชอบนั่งสมาธิชอบพิจารณาทางปัญญาไปแล้วผมมว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่เสร็จภารกิจแต่ถ้ามีชาติต่อไปมันก็จะมันก็จะ ทำต่อเราจะเป็นไปง่ายกับคนเองถ้าเปรียบเที่ยวกับคนอื่นที่เขาไม่ทํเาเขาจะเห็นว่าไอ้เราทำไมเราทําได้แต่นม่งคำาที่เราถนัดได้รักษาศีลเราก็รักษาคำทานึงคทภาเราก็ทำไดวแต่คเรื่นนี้พอจะต้องมาทําอย่างทุกทีเลยจนเราโอ้เป็นเรื่องใหญ่โตไม่เหมือนกับเวลาไปเที่ยวสหรับเขาหรือไปเที่ยวนี่มันง่ายได้แต่ถ้าต้องมาคำนึงคทํามารักษาศีลปฏิบัติทางนี้้ดวยที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โต เพราะความไม่ถนัดเพราะความไม่เคยทำนั่นเอมันก็เลยไม่เป็นนิสัยแต่ถ้าเคยทาําแล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันมีความกุข ด, ด้วยจากการกระทําแบบนี้ไปเที่ยวก็มีความสุดาาการทํ า, า, า บ, บุญทํางานรักษาสิ่งประดิษฐ์ทำก็มีความสุขแต่ในความสุดคนละอย่างกันความสุขแบบนี้ทําให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอไม่ไม่หิวกระหายกับ แต่ถ้าไปเที่ยวไปซื้อของอย่างต่างๆมันจะทำให้ผิวเพิ่มขึ้นแล้วเที่ยวแล้วก็อยากจะเที่ยวอีกเที่ยวมากขึ้นอหญ่กว่าซื้อของมากขึ้นไปนเรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝังทำกั น, นไปเรื่อยๆให้ได้มากถ้าหลายว่นดียชีวิตของมนุษย์ถ้าเปลี่ยนเหมือนกับว่าเป็นเหมือนปั๊มน้ํามัน เป็นที่เรามาเติมน้ำมันราเติมพลังให้กับรถเดินจิตใจของเราไป็นเหมนรถเดินพี่ยงต้องท่องเที่ยวอยู่ในภบน้อยภบใหญ่ถ้าเราเติมน้ำมันมันก็จะท่องเที่ยวในไปได้อย่างประดวกได้อย่างสบามสยมีเสบียงถ้าเราไม่เติมน้ำมันเราแต่จะเทีย่ยวจะได้มกันพอถึงเวลาขับรถไปการทางรถมันน้ำมันหมด ก็ต้องเดินไป ต, ต้องลำบากน่าจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางตัวใหญ่จะวนอยู่กับกับเรื่องของกิเลสปัญหาไม่ได้ไปสู่การหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสปัญหาแต่ถ้าเราดำเนินตามตามที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอน เปนบามีต่างๆผ่านารมีศีลารมีเมามบารมีธรม ร, ม, ม, ม, ร ม, มยาบารมีที่เรากาลังบำเพ็ญอยู่นีน้ผ่านบารมีวันนี้เราก็มาทำทานศีลบารมีเราไปรักษาบารมีเห็นห้าถึงแปดเมตตามรบารมีก็เราก็อยากไปกินข้าวเย็นวันนี้กข้าวเย็นอยากไปใช้เครื่องของเครื่องสำอางต่างๆไม่ต้องใส่เสื้อผ้า ที่มีสีสจุดุดตาจุดโททัศน์จิดิทยจุดเครื่องเสียงต่างๆไม่เคยดี่มไม่ื้อสัต่างๆที่ให้ความบินเทิงหวน้าซืมากตกทุกครั้งฟังกันแล้วนอนยนงคืหานอนยังเครื่องแข็ก็ไมด้ไม่ยองนอนมากก็ได้มีเวลาภาวนามากขึ้น ถ้าปฏิบัติไม่เท่านอนไม่เกินสี่ชั่วโมงทั้นก็พอเนาะร่างายต้องการพีชเท่นานั้นเองพักผ่อนสี่ชั่วมงนี่ก็พอเองแต่วกาเราต้องให้กเกลี้ยงติดสี่ชั่วโมงเป็นแารชั่นโมนอนนานๆมาเลยต้องมีผูกมินมินมันด้วนอนสบายถ้านอนบนเพื่อนแขน็งๆนี่ก็นอนไม่ได้เพราะถ้า น, อนบาอกร่างกายมันพอแล้วมันจะไม่ดับละ นี่คือการเ้าเรียกว่าการออกจากการมาสุดในธรรมะในธรรมะบาลีห า, าความสุขจากการปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิสงบพิจโจพิจโจภายในจิตใจจิตใจจิตสงบ ก, ก็ปล่อยให้มันสงบไปขณะที่จิตสงบไม่ต้องไปทำอะไรเป็นเวลาที่จิตต้องการพักผ่อนต้องการ ถ้าเสริสร้างพลังจิได้สงบได้นานก็ไหลดีถ้าสมมติญญว่าเป็นจิตที่ผัดโผล่ที่เวลาสงบแล้วไม่หนึ่งไม่อยู่ที่ไหนออกไปรับนี้เรื่องราต่างๆถ้าในเรื่องต้นควรที่จะยืนกลับมาอย่าตามต่เพราะถ้ามันตามไปแล้วมันจะติดจะติดกันใิใจพอนั่งแล้วก็อยากไปเทียเท่ยวไปดู ปววไปสวรวค์ไปนรกไปสัมผัสจากสิ่งต่างๆซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเห็นด้วยตามันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะจปลกน่าประหลาดใจการเราไม่เกิดประโยชน์ทางด้านการกําจัดกิเลสต่างหาไม่เกิดประโยชน์ในการช่วยให้การบรรลัยของเราลุกถึงเป้าหมายที่แท้จริงคือมรรคผลนิพพานก็เป็นเหมือนกับการเดินทางมาทีน่นี่ แตวลาแถวบางแสนแถวหนองมนไีตื่นถน น, นกับข้าวกับปลาไปเที่ยวอาบน้าที่บางแสนแล้วก็ไม่มาที่พัฒนเหนือยก็เหมือนกันเวลานั่งพัฒนที่แล้วออกไปรับยื่นเรื่องราต่างๆพอพอออกจากสาัฒนที่มันก็ไม่มีกํำลังมันไม่ติดชื่อไม่เหมือนเหมือ น, นจะไม่ได้พักผ่อน ก็จะไม่มีพลังที่จะไปกดกิเลสไพออกมากิเลสมันก็จะทํางาน ท, าทันทีมังก็จะชวนไปคิดเรื่องของกิเลสปัญห า, าทันทีก็เลยไม่มีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่การพิ่จรณาไใจรักในขันธ์ห้านั่งสมาธิเท่าไหร่ก็จะได้แค่ตรงได้ที่ได้ได้ไปเที่ยวได้ไปดินใลกได้ไปสวรรค์ได้ฤทธิไ์ได้เดงได้อะไรต่างๆแล้วถ้าไม่ระวังน ที่เลยนันก็จะใช้ริบหนี้มาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือทำมาหากินหาลากขาเยอหาชี่หาเสียงเป็นคนทํานายทายพระ ก, กายณ์หนวดเดียวกันหรอ ไ, <c oughs> ไ่ดีก็คิว่าแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเลยไปไม่ถึงเป้าหมายที่คนจะไปเรื่องอยู่ใกล้อีแล้เอื้อมมือแล้วได้สมาธิแล้วึแต่ว่าสมาธิของเราไม่ต้อง ต้องกำหลังเลยคืออย่าปล่อยอให้มันออกไปรับเรื่องราวต่างๆต้องยึดมนไว้ให้อยู่กับความนี้ถ้ามันจะไปก็ยึดมันกลับมาถ้าใช้ทุกโถก็ยึดกลับมาหาทุกโถก็ได้หรือถ้าเป็นคนที่เป็นปัญญาฉลิกรอเอาละพิศเอาละให้มันเที่ยวอยู่ในร่างกายแทนก็ได้แต่มันอยากจะไปเที่ยวย้อนลับสวรรค์ได้มาเที่ยวใ น, นใจนครนะครับ เพื่องเที่ยวเที่ดีในร่างกายตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในเพื่อดูที่ผมที่ผนที่เล็บที่ฟันที่หลังที่นิ้วที่เอนที่กระดูกที่หัวใจที่ศัตรูที่ใจที่เราใช้กระจายไปสองด่างการที่จะนานไปเรื่อยๆสลับไปสลับมาถ้าอย่างนี้มันก็จะเป็นวิปัสสนาไปในตัวเป็นสัญญาอุณสมาธิไปในตัวเอง ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องนื่องกันไะถ้ามันจะพิจารณาได้แล้วพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องก็ให้มันพิจารณาไปพิจารณาความไม่เสียนาของร่างกายพิจารณาความเป็นดินน้ำลมไของร่างกายเป็นต้นตั้งแต่อาหารอาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟในเข้ามานร่างกายมันก็มาเสริมมาแต่มาเปลี่ยนเป็นผมผลและความหนาแน่นประโยชน์ เมล่าายตายไปปล่อยขึ้นไวมันก็ค่อยๆยากเียงลงไปน้ำก็ไปสีงลงน้ำดินก็ไปเสยงลงดินลมก็ไปเสีองอยไปเลยนในที่สุด่างกายที่ว่าเป็นตัวเราของเรามันก็หายไป ไ, ไม่มีอะไรนี้อีแเวลาถ้าเรามีสมาธิแบบที่ชาบท่องเที่อนั้นอย่าในเริ่มต้นอย่าเพิงองอ่งไปเที่ยวเพราะมันจะเสียเวลา แต่ว่าเปน็นนักเรียนไม่ทําการบ้านไปอ่านหนังสือตูนไปเล่นเกมกลัมาบ้านแทนที่จะรีบทําการบ้านอ่นหนังสือกลับไปเล่นเกมไปดูนังสือตะกูไปเปิดดูเถิดเปิดดูเถิดทัานบางเวลาสอบการเรียนก็ไม่ดีผลสอบก็ไม่ดีเพราะไม่ได้ทําหน้าที่ของตนให้สมโดนนั่นเองการปฏิบัติในเป้าหมายก็คือการละอุ ป, ปทานยึดมั่นถึงมั่น ว่าเป็นยาเป็นของเราโดยขัยนท่าวิทยาลูกวิทนาสัญญาสัขงขงารวิญญาณเป็นสภาวธรรมรูปก็เป็นอย่างลูปประทังออกจากน้ำวนไปส่วนิยตนาสัญญาสัขงขงารวิญญาณก็เป็นนามธรรมออกมาจากจิตปีนาการของจิต เ, เมือนจากอาการของน้ําน้ำก็มีฟองน้ามีคลื่น มันก็มาจากนั้นจุดก็มีอ า, าการก็มีเด้ขณะได้ข ก, ก็มีทายามีสุขมีทุกข์ไม่สุขม่ทุก ข, ข, ข์แล้วก็เป็นของอนิจจังเปลีย่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็ไม่ทกมีเหตุมีตักรใจทําให้มันเปลี่ยนไปของมันบางครัง้งบางคร้วเราก็ควบคุมได้บางครัง้งบางคราวเราก็ควบคุมไม่ได้ ถ้าพวกคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปที่อาการแล้วจะมีกล้าเหงื่มแล้วก็เห่อเพราะเหง่อแต่ถ้าเกิดเราไปหลงอยู่ในป่าไม่มีอะไรหงุ่อหก็ต้องก็ต้องปล่อยให้ให้หลงไป ต, ต้องทำใจให้เฉยได้ถ้านั่งสมาธิใจ น, นี้ช่วยได้เยอะเวลานั่งสมาธิแล้วจิตเป็นอย่างนี้จิตก็ไม่รับเรื่องความหมอหานัาง่งไปตอนนั่งใหมาๆนี้มันจะตันปตัน แต่พอจิตแน่เนเข้าไปแล้วทีนี้มั น, นมมหนายใจมันยืดหยุ่นตลอดงพิที่ด้านไปอยู่ในป่าท่านก็ไม่มีอะไรป่งท่านก็มีแค่ผ้าสามผืนนั่นเองคบาอาจารย์ในจุมากนี้นท่านอยู่เพียงหมองเื่องไหล่ที่ดูช่ ว, เ ย, เ ย, วยเนี้อจิตมันเท่าไรเกิจะเป็นที่สุดนี่ท่านก็มีแค่ผ้ากีวรที่ท่านทัดจิดท่านก็ใส่เนี่ยแล้วแล้วกนั่งสมาธิ อย่างผ้าตาลเนรี้นี่ก็เป็นสิ่งที่มาทีหลังในสมัยแรกๆนี้ผ้าจะมีแค่ผ้าสองผืนไม่ไมีผ้าสรมคือผ้านุ่มแล้วก็ผ้าจีวอนคือผ้าหมแล้วต่อมาอากาศมันหนาวพระท่านก็ไปของนุญพระพิ้าว่าขอหาผ้ามาเพิ่มผมได้ไหมพระพิ้าก็ตอบว่านอย่างดีเยว่ง ตรนั有有่งสมาธิเช้าในแต่หกโมงเย็นทุ่มตรงของผมจีวรถุงเดียวพอทุ่มตายแล้วก็รู้สึกว่ากีวรถุงเย็นไม่พอก็เอาจีวรถุงมาผมพอหลังจากของยามไปแล้วน่งก็ต้เอามาอถือเพื่อนมาผมเป็นสาถือถึงจะพอเพียงจัดการดูแลรักษาร่างกายแต่ส่วนจิตใจนี้ เราเข้าไปในสมาธิแล้วมันไม่เป็นปัญหาเลยทีนีคนที่ยังเข้าไม่ได้มันจะลําบาร์ตถ้าเขาไม่ได้มันก็จะตันอยูตลอดเวลาแต่ถ้าคนเข้าได้แล้วมันก็เดี๋ยวแล้วแล้วอุการณ์เหนื่เรานั่งขับสมาธินี้เันจะมันจะสร้างอุณหภูมิในร่างกายของเราให้ถึ้นขึ้นผมเกดูเวลานั่งสมาธิในหน้าร้อนีมยวจะแตกเนยเพราะว่าเราขึ้นในกักขาร่างกายมันถูก ควบคุไมไว้ให้ไม่ให้ความร้อมหนึ่งค่ากระจายแต่มันก็เลยถูกอยู่ในร่างกายตอนนัอย่ามันจะเราบ้าเราทานรองเท้าแต่ถ้าเรานั่งขัดเป็นบนี้มันจะถูกจะถูกกัดไว้อยู่นะเลยมือในร่างกายมันก็จะทำให้ร่างกายรู้สึกร้อนขึ้นอึดอขึ้นพระพตทธเจ้าเองได้อนุญาตให้มีภาสันติโดยให้ทําเป็นผ้าของสองชั้น พีออนนี่มันจะเป็นผ้าชั้นเดียวแต่ตั้งสังกัดนี้จะเป็นผ้าสองชั้นเป็นเป็นเป็นพีออสังถึงเยียบควบคู่กันปเลยไม้เป็นผ้ากันหนาวประมาณนี้ถ้าเป็นพระที่เขาทำพิธีเขาจะอามาผ้าที่เรียกบาเพราะเป็นธรรมเนียมของพระว่าจะไปไหนก็จะต้องรักษาผ้าตั้งสังกัว้ถ้าอยู่ใกล้เกือเสมอ เกินี้เหตุฉุดเฉินเกิดจะต้องไปหนมาไหนทุกปัจจจะได้มีมีบริฐานครบคลวมอยู่กับตัวไม่ใช่จะคอยยื่งหาข่าวอยู่ไม่ตรไหนเกิดมีเกิดมีอะไรใครมาไล่ขับไล่ให้ต้องไปทันทีทันใดอะไรเนี้ยมันจะได้เพราะได้เขียนเองถึงพระเมื่อก่อนนี้ท่านก็จะเป็นพัดที่ดำเป็นคนใหญ่ท่านจะไม่อยู่กับที่ท่านจะจาริกไปเรื่อยเสื่อมที่ไปเรื่อย การเกลี่ยนที่ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะไปสร้างสร้างความตัวไปเจดที่มันแตกมันไหมแล้วมันจะมีความไม่สุขตัวแต่พออยู่ไปนานๆเท่าแล้วมันจะเกิดความเป็นทางตัวแล้วมันก็จะหายไปจะให้ไเปลียนที่หรือป้องกันไม่ให้ยึดติดกับที่พอหยุดพอเยือแล้วมันก็ปรับตัวให้ได้มันก็สุขมันก็สบายมันก็จะไม่ยอมจับตัวอย่างนี้แต่ถ้าต้องย้ายไปที่อื่นมันก็ต้องปรับตัวไปเรื่อย การรู้จักปรับตัวนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะชีวิตของเรานั้นอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราต้องเราต้องปรับตัวเราอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นอากาศนี่เราก็ต้องปรับตัวถ้าเราปรับได้เราก็ไม่คุกแต่ถ้าเราปรับไม่ได้เราก็คุกไม่ว่าที่ไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยเปี่ยนรัฐบาลก็ต้องปรับตัวคนที่เป็นรัฐมนตรีก็ต้องปรับตัวฝังใจ ตอนที่ไม่เคยเป็นก็ต้องมาปรับตัวเป็นรัฐมนตรีกับเป็นไปอย่างนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงขณะความรู้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเป็นจริงไม่ได้คือเรายังยึดติดอดีตอยู่เเป็นรัฐมนตรีก็ยังที่ว่าเป็ัฐนตรีอยู่เนืองอยากจะให้คนเราปฏิบัติับเราว่าเหมือนจะเราเป็นรัฐนตรีรเป็นคนรวยก็ยังอยากจะทําุ่มเหมือนอยู่มันเป็นไปไม่ได้ มันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัจจุบันและวิธีที่จะปรับตัวให้เราได้เข้าแบบนี้กับสภาพก็คือเราต้องหันกลับให้สู่สภาพที่ต่ำที่สุดที่เลวที่สุดที่แย่ที่สุดถ้าเราอยู่ในสภาพที่แย่ที่สุดที่เลวที่สุดที่ลำบากที่สุดได้แล้วต่อไปไม่ว่าจะภาพไหนเราก็รับได้น เป็นเหตุที่ทำให้ภาที่ลงต้องอยู่แับแบบแย่ที่สุดเล่ที่สุดลำบาบที่สุดโดยที่วัดป่านั้นๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาเป็นการฝึกเป็นการฝึกให้เราได้ตับใจตับตัวเราให้เข้ากับสภาพของความควาจริงของชีวิตพอเราทุ่คนรเราไมต้องลงให้จุดําจุดทักวัน เวลาแก่เนี่ยเขาต้องต้องถือคนเขาทอดทิ้งให้อยู่กับบ้า น, นแม่ลุกจะลากาเรากปนะเพราว่าต้องไปทํางานทําการเพราะว่าต้องไปมีอะไรของเขาเขาจะลากออกไปด้วยได้ไหมเวลาจะลากออกไปแล้วก็ไปไม่ไหวอยู่ดีเราก็ต้องหัาอยู่บ้านไม่ได้หาอยู่ที่ศูนย์ไได้มีความสุขได้อยู่เฉยๆนี่แหละความจิงสุขที่สุดก็คืออยู่เฉยๆนี่แหละจะอจะสุขเท่า ไปเที่ยวฮ่องกงกันอยู่บ้านเนี่ยเรอยู่บ้านสบายกว่างเี้ะถ้านสอนก็ไม่ต้องไปทาดีฆ่าก็ไม่ต้องไปขอไปผ่านอินเทอร์เนมันโดนเขาจับแก้ผ้าตรงนี้เข <c oughs> ยังไปกันถ้าอยู่บ้านไม่ได้เราะไม่เคยปรับตัวเองให้อยู่ให้อยู่กับที่ให้อยู่เฉยๆทามีอะไรมาหลอกเลี้ยงติตใจยอยู่ตลอดเวลามีลูกนีเสือมีเกลี่ยนมีวัามีขวกับพร้าชนิดต่างๆ แล้วก็ไม่รู้จัพอเพราะสิ่งเัล่นี้มันไม่เคยให้ความอิ่มความพอกับใครกวามพอมันอยู่ที่การอยู่นิ่งเฉยกัสมอถ้าอยู่นิ่งเฉยเป็นเราเราก็จะพบกับความพจะนิ่งเฉยได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติแล้วก็ทํำสมาธิได้มีเสียงมีพานเป็นเคส้งสลับเนี้ยงแล้วก็จเจริญนิพพาน เ่ราทุกจะราวแล้วทุกเกิดอย่างมันเป็นธรรทุกทั้งนั้นก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรกากอะไรมีตัวคนเดียวนี่แสงจะดีมีอะไรก็ต้องทุกตกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพาะว่มีสามีมีใครกเาไม่ทุกขกับสามมีไม่ทุกขภรรยาไม่ทุกต์กบลูกที่มาบอกให้ฟังเรื่องของความทุกข์นั่อง ก็ตัดที่ใจสิตัดที่ใจตายใจ้วเขาไม่ใช่ลูกเราเขาไม่ใช่สามีเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแกเจ็บตายอยู่ด้วยกันก็มีความเมตตาปรินาเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ด้วยกันรักกันได้แต่อย่าไปยึดเอย่าไปติดเอย่าไปอยากให้เขาเป็นร่างที่เราต้องการเขาจะเป็นองไรก็เราเห็นเพราคนเห็นเขเป็นอะไรเราไม่เห็นไปเดืดร้อนไง พอเข้ามาเป็นสามีเป็นลูกเราแล้วต้องเป็นเรื่องทันทีว่าเพียงแต่ทำใจหัดทำใจมองว่าเ้าก็เป็นเหมือนคนอื่นก็แล้วกันแต่เราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเื่อมขอเพื่อนเ่วมบ้านเพื่อันอยู่เ่วยกันเป็นเพื่อนเพื่อกันเข้าบ้านเพื่อกันป้องกันภัยอะไรอย่างนี้อยู่คนเดียวอาจจะมีคนอื่นเข้ามารบกวนเราได้เพื่อนเพื่อนคอยปกป้องกันคุ้มครองกัน ก็มีทางเสร็จได้เพียงเพียงให้เปลี่ยนทัทกนะะของเราเท่านั้นอย่าไปครอบครองข่งปัญญาเราได้อเลยนะเราจะเป็นตัวปูขอ ง, ง, งตูวขึ้นมาจริงจะต้องทําตามที่เราสั่งที่เราต้องการจริงขอแม่ต้องาการความรักจริงใครมีก็กลายเป็นความเกลียดทางขึ้นมาเพราะความไหนไม่มีปัญญาไม่รู้จะคิดจะปล่อยให้ไหลาไปตามอรารมณ์ อารมนี้มันจะถูกความอยากความอยากนี้เป็นตัวอารมณ์ว่าทีอยากได้อะไรก็ไม่เคยพอใจก็สิให้ทยแบบนี้ก็แบบพอใจทอย่างนั้นก็แบบพองจเ่นหรือว่าชอบกินอาหารตนี้จะทําอาหารตัวนี้นั้นกินมาแก็เบื่อก็ว่าเขาอีกก็มันก็เห็นว่าชอบไม่ใช่หชอบก็ทำไม่ได้ี่น ว่าความอยากมันจะอย่างนี้ยมันไม่เคยมันไม่เคยอยากได้ในสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันมีเนี่ยมันเหมือ น, นกับของตายละชอบของเป็นชอบลุ้นชอาชอ บ, ชอบจะได้ไหมได้หเนาะคิดแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขตื่เต้นพอได้มาแล้วก็หมดความปรารถนาแล้วก็วหาของใหม่ นี่คือคือคือการหาความอยากเราต้องเห็นโทษของมันเราอย่าไปเฝ้าตามมันใช่เหตุผลที่ส้างที่เราอยากจะได้เราให้ิพิาจารณาว่ามันมีความจำเป็นไหมคือถ้าเรามีความจำเป็นต่อการเวลาตสภาพร่างกายของเราเราก็ทํมาถ้ามีความจำเป็นต่อการเวลาจิตใจของเราเราก็ทำํำไปนี่เราก็นั่งสมาธิต้องเดินเป็นกลม แจะในปัญญาเนี่ยมันจําเป็นมันจำเป็นมันจำเป็นกับกิตใจถ้าอย่างนี้เราไม่เลือกเราเป็นปัญหามันเป็นมัดมันเป็นเป็นเป็นเครื่องที่จะเชื่อดักทุกแบบปัญหาต่างๆหรือคําคุณทางร่างกายก็ที่กันถ้าเราต้องกินอาหารเราก็ต้องมีอาหารรับประทานเพียงแต่พอให้มันจักประมาณไม่น้อยเป็นไปไม่มากเป็นไปแค่เป็นควดีกับการต้องการของ่างกาย เสื้อผ้าก็เช่นเดียนกันก็ให้มันพอดีกันกับความจาเป็นความต้องการบ้านก็เช่นเดียวกั น, ก น, น อ, นนนนอื่นรักษอย่ารักษาเลิกรักษากใจถ้ามันมีการจำเป็นแล้วก็ต้องมีเพราะหน้าที่แห่งชีวิตของเราที่แก้จริงมันก็มีสองอย่างนัคือดูรักษาอยู่ในรักษาจาจกับายของกายของเราก็มารักษาให้มันอยู่ไปตามอัตภาพของวัน มาให้มันทะลุทุกตนก่อนเวลาที่สมควรใจก็ต้องมีรักษาอย่างใจนี่แหละเป็นเป็นงานเป็นงานหลักรับเป็นงานหนักด้วยเป็นงานที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าเรารักษาใจได้แล้วปัญหาต่างๆจะหมดขึ้นต่เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอันนี่ที่ท่านที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพาะอรหันตขึ้นมาเพราะว่าท่านรักษาใจท่านท่านรักษาวูแลกำจัด ความโลคความปวดความเหนื่ความอย่างต่างๆให้หลมดไปจากจิตใจเพราะความโลคความปวดความหนืยความอย่างต่างๆนี่แหละเป็นต้นเหตุของปัญหาใจที่สร้างความทุกข์สร้างความมุ่นวายใจกังวลกวายใจเวลาร่างกายเป็นอะไรก็ปัญหาใน is, Hoy, nuevo, ้รืงความอยากเวลาจะตายก็ก็ญเวลาอยู่เพียงแต่คิดถึงความตายมันก็ทูกข์แล้วก็เกิดจากปัญหาอะไร ถ้ากาจัดมันได้แล้วไม่ต้องหาต่อไปแล้วหน้าที่หลักของเราหน้าที่หลักๆก็มีสองหน้าที่คือดูรารักษาร่างกายการดูแลรักษาร่างกายก็ต้องมีมีรายได้ก็ต้องทํางานทําการแต่อย่าไปทํำจนกระทั่งวันงงผิดทางไปหาเงินหาทองเงาเงยถ้าเจอสิทชาติก็ไม่หมด น, นี่มืหาไปทไําไม เอามาพอให้มันเวลาอาจจะท้าน่างกายอย่างได้แล้วาา ใ, ลให้เรามีเวลาให้เรามีเวลาได้มาทำดุลให้เรามีเงินมาทำดุลทำทา ง, ทางมาปฏิบัติทำทำอย่างนี้ไปร่างกายต้องมีร่างกายไว้ไว้ทำงานทางด้านจิตใจไม่มีร่างกายก็ตามใจก็ปฏิบัติทำไม่ได้ถ้าไปเกิดในในอบายก็ทำอะไรไม่ได้ไปเกิดยนสวรรค์ก็ทำอะไรไม่ได้ พรอบายก็เป็นเป็นที่ใช้บาปใช้กรรมสวรรค์ก็เป็นที่ไปไปรับรางวคัลคืนกุศลมีภบชาติของมนุษย์เราที่เป็นเป็นภพชาติที่เราสามารถทํางานได้ทํางานทําธารกิจทางด้านจิตใจให้เสร็จสิ้นไปได้กมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นคนที่จะ ทาความเ็้าใจให้ถูกต้องว่าเรเกิดมาทำมเพราะส่วนยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำอะไรถ้าไม่ได้เจอจากรราที่เ็นมื่อดียวถ้าไม่ได้อย่สัมพนนเื่อเีก็จะปอให้ได้ไปตามก า, าลยา่าราบยึดแต่ละก่วจบกันแล้วก็ทุกข์่วายกันกับราบยึดและส่นะนวนจบ เ, เพราะมันมีตั้งเจริญนะมีทั้งเสเวลาเมเจริญก็ดีโอกดีใจ เวลาได้งานได้าการได้เงินเดือนเพิ่มไม่ดีใจเวลาถูกตรวจต่อเนื่องก็เสีาใไม่ต้องกังวลกับเรื่องอย่างนี้ทําไปยาอย่างที่อาจารมาหอกถ้ามันต้องล้างทาเราก็ต้องล้างชางงถ้ามันไม่มีทางไปมันก็ยังเป็นงานที่มีสรรพคุณมีกระไปรักไปขมวไปโกหกหลอกคนึูน้อื่ แขนยาวาจะทําอย่างนั้นให้เขาทำไปครึ่งหนึ่งก็ทุ่งงานไปใ น, นา ง, งานงานอย่างที่เราไม่ชอบเนี่เราจะจําเป็นต้องขันนี้่มีมีเราไมู่้สึกมันมันถึงความรู้สึก <c oughs> แล้วก็กิด <c oughs> ความทุกข์ในใจขึ้นมาต้องตลั่นตัเพราะว่ามันมันไม่มีทางเลืกมันจะอยู่ว่ดบาต น, นั่นแหละเพื่ อ, ต, อ, ต, อนนต้องต้องต้องเห็นน้ำต้องปัดกวาดต้องต้องถือพื้นคนอื่นเขากันเนี่ยเราก็ต้องทางําตาม ในอย่างสภาวะไหนของเราความเป็นพระที่บังเราทำให้เราต้องท ำ, ทำาารงเร า, าก็ทํา ไ, ไปถ้าใจเราไม่จิดจริมผิดธรรมไม่เสียหายใจเรายอมกลาบได้ถึงได้ถึงยิ่งไปสักทั้งระยะหนึ่งมันก็เคยถึงมันก็จอบชอบขึ้นมาได้ความที่ไม่ชอบนี่ก็เป็นตัวเป็นขมขัย ก็เป็นทางานนิทวาตัน <c oughs> คือทําไม่อยากอยากในสิ่งน้นสินี้ไม่อยากเป็นสิ่งนั้นสินี้ไม่มีใครอยากจะจนไม่มีใครอยากจะลงบากไม่มีใครอยากจะล้างทั้วล้างชาอยากจะทีนิ้วนั่งบอกเจ้าถ้าทาอย่างนั้นท่านนี <c oughs> ม้มีคนใช้อย่าเนี้ แต่พระนี่ยทั้งสองไม่ให้ไม่ให้มีคนใช้ให้ครึ่งตนเองถ้าป่านี่ยสำคัญก็ไมให้มีใครรับใช้อย่างลูกผู้หลักผู้ใหญ่จะมาบวชที่วัดป่าต่างๆเนี่ยเราจะขอเอาเอาเด็กพระชายม า, <Okay. S 1> าผมบอกให้เลือกแต่พระจะเอาเด็กพระชายพ้ะลูกก็ไม่ยอมมาถ้าลูกจะมาก็ไม่ยอม เ, เด็กระชายอนยะ่างเดียวมาทั้งสองอย่างไม่ได้ก็มีเท่าที่จําเป็น จะทำส่วนไยนจะทำจิตที่มันพระเองทำไม่ได้ก็จะต้องถางป่าถามหาตัดต้นไม้อะไรนี้ครบอันไหที่พระทำไม่ได้ก็ต้องให้กจษีทำให้ระเคีนของที่พระตะเคีนแค่นีไม่ได้ก็ต้องให้มีสารวัตรพระคนคอยจะคอประเคียนให้ยันทองจากเองไม่ได้ก็ต้องให้มีสารวัตรกเจ็บยาอะไรับอให้เช่นสมัยที่มองอุ้ยทีวชอยู่ที่ยันตัดไม่ตัทันเท่าไหรนี่ยไม่ทันไม่ทัน พยางนั้นพยายามตัดตัวนะพยายามเกิดพยายามลดพยายามไปเจอแบบทางยากลําบากให้มันพิ่ขึ้นไปเรื่ อ, อยๆขยับอันดับทางลำบากเพิมขึ้นไปเรื่อยๆนั่งให้มันนานขึ้นนะมีเก็บปวดทนความเก็บปวดให้มัน น, น, น, นานขึ้นไปแล้วพยายามทำใจให้นิ่ขงขาขาอุบายจะพิจารณาก็ได้จะสวดมนต์ไปก็ได้จะข้างพิโทโภพิโภไปก็ได้ แล้วก็ปล่อยให้เพืนามัปนธรรดาการผ่านไปมันจะดับก็ให้มันดับไปเองถ้ามันไม่ดับก็ให้มันตั้งอยู่นะถ้าตัดใจให้ยกกับธราติความเป็นจริงทนั้นถดถึงใจก็จหยเรถึงให้ต่ำมาหาบทสวดมนต์ตมาสวมนต์มาต่ำมาพุโธเอย่างเวลาที่บางทีต้องสุดบาต้องใบัดที่กลัวๆพอเราเวลากลัวมันก็จะไปคิดถึงเรื่องที่เรากลัว ยิ่งคิดก็ยิ่งตัวใหญ่งั้นแต่ถ้าเราถ้าเราไม่อยากจะตัวแล้วเร า, าต้องหาที่คึึงแล้วก็จะคิดถึงพุกโธ ท, ที่เกิดทึ้นมาคิดถึงพระขกันมา ก, ก็เลยจำจะพุโธพุโธฝากเป็นฝางตายแล้วก็คิดถึงเวลากลัวมากๆมันมันไม่จะหาที่อายขึ้นแล้วก็กอดกับพทุทโธแบบนี้ก้อนกอดไปเยอะเดียวติดมันก็รวมโยงสมุทลงส ม, มุทลงก็ความววกลั ว, ว, วก็หายเลยเพราะความกลัวมันเกิดจากใจเราเองคิดที่ไหนเอง อยไปเวลาเกเดียบไปคิดถึงทางเกิดอย่าไปโง่กิดอยาหาทางเกิดอย่ละโคว่อย่าไปหาทามโคว้ายึดกับมหาทุโควุโควาโคอย่างเดียว้ความเกิดความโควมันจะเป็นงานก็ฝ่ายหนึงเป็นต่อแต่ถ้าอยู่กับุโคได้ตลอดนีเดี๋ยวจิตมันรวมรวมคัลมัหายไปหแล้มันจะรู้ว่าเราโง่เเราผลิตความตัวาขึหนเองเราเราผลิตความเกิดขึ้นหาเอง พวกเราเนี่ยภวนาไม่เป็นกันถ้าภาวนาเป็นแล้วมันจะรู้จิตมั น, ใ น, ใ น, นไม่เยรวมกันไม่เย้รวมแล้วมันจะรู้ปัญหาต่างๆอยู่ที่จิตมัไม่ได้อยู่ที่อหนปัญหาที่ต่างๆเขาก็อยู่เพราะเขาเองเขาไขขาม่มีอะไรเราไปเราไปไปวาดไปไปวาดภาพขึ้นมาหลอกตัเนะตวเเองเวลาทุกแกงยังทำเดินยืงบนหลังคาหนากคิดว่าผีมา ที่ ท, ท่านพรวิทย์อยู่วัดใหมเยย่เนี่ยมาอยู่กุตินี้นะฮะแล้วก็อยู่ไปแรกๆอาจจะ ก, กลัวไปอยู่นานเข้านานเข้านานเข้าความกลัวมันหายไปแต่แต่ก็ไม่ใช่คิดว่ามันจะหายไปหมดนะแต่ถ้าพอแต่ตรงนี้ทาํามคุ้นเคยแล้วมันก็จะชินแต่พอเปลี่ยนพื่อความกลุ่นโผล่ข้นมาให้เห็นที่ใหม่แล้วเป็นผู้ปิดที่ใหม่ เพราะว่าตรงเก่ามันจะไม่หมือนความกลุ่มมันได้หายหมดคือที่นั่นเราเรารู้ว่ามันไม่เหนื่อยน่ากลัวนะแต่ที่เราไปใหม่เรายังไม่รู้ว่ามันมีนื่อยคลอนอยู่หีกอเป่าแล้วก็เปรุงแต่งเขามาปรุงจินตนาการไปเองพออยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรมันก็อยู่ที่จินตนาการไปแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเราหลอกตัวเราเองตลอดตลอดสถานที่ตลอกเราไม่ได้สถานที่เขาไม่มีอะไรถ้าแค่จะิงน้ำยิงไป ต้นไม้ใบหญ้าไม่มีเลยตลอดเวลาเนี่ยชีวิตของเราลราเราหลอกตัวเรายังตลอดเวลแล้วสมมติว่าถึงท่านดีถึงท่านดีแล้วก็ไปแยกกันพอได้านมาแล้วก็ไม่เอาแล้ะไปสมมติอย่างอื่นขึ้นมาแล้วก็แยกกันแต่ะสั้นๆมันเปลี่ยนไปเรนะื่อยๆเดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สีนั่นเดี๋ยวก็สีนี้น หลอกกันไปหลอกกันมาเนี่ราที่ที่ไม่อะไรหมยว่าถ้าเตตปที่งไม่ได้็ือไอไมรานจะเราเตัไม่เหมือนกัเราเรียนนักเตะอยู่โรงเียชั้นนี้แล้วเราเปลี่ยนโรงเรียนนลย จะว่าเราจบจบม .5 แล้วเราก็เรก็ไปตอมองบม .6 ตอบหรือถ้าโรงเรียนเขาอาจจะให้เราสอบดูเขาเขาสอบุปัญญาเราดูแต่ทางทางด้านจิกใจยังไม่ต้องทดสอบมันมันมันมันไม่มีการมันไม่มีการถ้าาเราไม่มีการมันไม่มีการเปลี่ยนเนมันเรียนถึงขัานไหนมันก็อยู่มันก็รู้อยู่ในทางนั้นมันก็รู้อยู่แก่ใจมันทําได้แค่นั้นมันก็ทําได้แค่นั้น การนั่งสมาธิได้กี่นาทีมาเรล่มนั่งสิ่ครัง้งแจะนั่งได้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติห น, น้าตายไปสมมติเกิดไปแล้วไปนั่งสมาธิครั้งต่อไปใหม่มันจะนั่งได้เท่านั้นนั่งขึ้นก็ต้องก็ต้องผลักมังขึ้นไปต่อแต่มันมันจะไม่ขึ้นโดยอนนัตโงมัติเพราะยังเราต้องถลัง ม, มันขึ้นไปเช่นไปนั่งได้สามสิบเราออย่างจะนั่งได้สี่สิบก็ต้องเสรินอีกสี่นาที น, นีน่ถ้าตกิเราไม่ผักขึ้นไปแล้วมันจะหล่นลงมาให้คั <c oughs> ดีม่ดีหน่อยแต่บางวันไม่ได้นั่งอเนี้ยเราพอกลับมานั่งบางวันนั่งไม่ได้สามสิบไปนั่งสามสิบนั่งได้แก่ยี่สิบถึงต้องรักษาไว้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็ต้องรักษาไว้สิ่งที่เราจะทำไม่ได้ก็ต้องพยายามทำเพิให้มากเร่เครื่อูบใช่พมาาแต่ว่าอนีเราต้องที่้อง ถ้าพูดแบบว่าไม่มีเหตุปัจจัยอย่างองื่นมาเกี่ยวข้องก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขามีเหตุปัจจัยอย่างองื่นเขามีภารกิจมีอะไรอย่างอื่นที่เขาไม่สามารถมาได้แต่ถ้าเป็นหความชอบล้วนๆนี้มันก็ถ้าเป็นความชอบล้ว น, นก็หมายวึงเคยจับสมมายอย่าง น, นัเคยชอบอะไรก็จะชอบอย่างนันแล้วมัเกี่ยวข้องกับธรรมนี่มันกับเราคนนะครัคนที้เข้าวัดตั้งแต่อายุได้น้อยบางคนที่เข้าตอนอายุมาก เ ว, เ, นะเวลามันก็มีส่วนเป็นตัวที่จะค่อนข้างมันจุดประจายสมมุติเรามีเชื้อต่ำแล้วแล้วพอได้จุด ป, ประจายตอนนั้นเชื่อมันก็จะมันก็จะเริ่มทา ง, งานต่อ<ม>แต่ถ้ามันไม่มีโอกาสเช่นอาจจะอยู่เมงไทยแล้วไม่เคยเจอครูบาอาจารย์ไม่เคยมีใครแนะนําพาไปให้ปฏิบัติทั้งทั้งที่เราอาจจะเคยมีมีอะไรอยู่บ้างแล้วแต่มันไม่ได้รับการติดตัวขึ้นมา เหมือ น, นฐานที่มันยังคู่อยู่แต่ถ้าไม่มีใครเติมฐานใหม่เข้าไปมันก็จะไม่ลุกตึวนังนั้นการที่เราได้คบคนเนี่ยมันจะมีมมอยู่ส่วนนิดทางในมงคลระสุดทั้นสอนใว้บทแรกเลยเสวนาจะบรราลานให้คบบังดีให้คบขัตตาะบังดีก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหัตริยเจ้าทั้งหลายนี่คือบัณฑิต เราได้พบกับมันดองแล้วท่านก็จะหยุดระกายให้เราให้เร า, เราพื้นไอาัมมิการต่างที่เราเคยเคยทำไว้ซึ่งบางทีมันยังไม่มีแรงในตัวของมันเองพอที่จะไปของมันเองได้ต้องอาศัยแรงของผู้อื่นหรือเหตุใจอย่า ง, งอื่นมาคอยปลุกให้มันได้ได้ทำขึ้นมาแต่ถ้าสำหรับคนบางคนที่มั น, มน มันมีมามากแล้วมันมีแรงอยู่ในตัวของมันแล้วเนี่ยไม่ต้องอาศัยมันเด็กไม่ต้องอาศัยใครก็ได้มันจะไปของมันเองอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงเวลาท่านก็ไปนี่นแหละ <c oughs> อยู่อยู่ในวังแสนเงสุบแสนสบายมีแต่ทุกคนมุ่งหน้าไปในวังเั่นใช่ไหม <c oughs> มีใครจะวิ่งออกจากวังไปในป่ามั้งไม่มีหรอกแต่เนี่ยบุญบรารมีที่ท่านได้รับเพิมมา มันมีพลังในตัวของมันมันแรงมากแต่ไม่มีใครจะยับยั้งเหนี่ยวร้างไว้ได้มันก็จะไปถ้ารำเพงสนัมนั่นก็มีสองสองทางเลยไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นท่าอานันเป็นท่าอานันก็คือพอเกิดแล้วได้มาเราสัมผัสกับธรรมะทั้งสองเราเจอศิบาจารย์มันจะไปอย่างรวดเร็วทุกคนที่บรรลุ เวลาที่มีความแตกต่างกันก็คืออ่ที่บุญเราเอที่เราได้บุญพิมขนมาถ้าเรเรียนอยู่ในระดับหนึ่งก็ต้องมาเพราะว่ามีสี่ปีเรเรียนมาปีนึ่งเราคือสี่ปีเราเรียนปีนึงแล้วก็ต้องมาเรียนต่อสามปีสามปแต่คนที่เขาเรียนมาสามปีแล้วเขาก็เรียนในแค่ปีเดียวถ้าเขาเรียนมาสามปีครึ่งแล้วเขาก็เอกหกเลอนี่คนบางคนเรียนมันรู้ได้เลย บฟังทรรมเพียงครั้งเดียวพระอัญญาณปุณธยะฟังธรรมครั้งแรกก็ได้บางทีเป็นพระสวยมากเลแต่ถ้าถ้าเป็นเจ้ว่าขี่ขี่รูปแค่อย่างนั้นไม่ได้บรลุเพราะปัญญาทค่อย่างบางท่านไม่เท่ากับพระอันญาณปุญญยาแต่ก็ไม่ไม่ห่า ง, างกันเทาไไล่ไล่กันตามตามกันมาติดติดกันอาจจะห่างกันเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ พอฟังแล้วเอากลับไปที่นิสิย์างายซัครั้งสองครั้งทบทวนในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาก็าจะก็จะบรรลุไดไ้จะไม่ได้บรรลุในขณะที่ฟังแต่บรรลุหลังจากที่ได้ฟังแล้วลก็ปรากฏว่าได้บรรลุเป็นผ้ า, าหนังทองกันในลำดับต่อมาไม่นานหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทาอีกครั้งสองครั้งท่านก็บรรลุเป็นผ้ า, าหนังที่มา เป็นท่ารันท่าอุลแรกของของของพระพุทธศาสน์นะตามจากพการะพุทธเจ้าเราพอผมในเทศโบทั่วทั่วฤกษ์หรือทั่วงนักปฏิบัติในนักที่เองที่เขาปฏิบัติทางศีลสมาธิมาแล้วเขามีทางมีศีลมีสมาธิมาแล้วอนะพอแสดงแสดงทางด้านปัญญาแสดงทางด้านฤกษ์ศาสตร เขฟังเหมือเดียวห้าร้อยลูกก็บรรลุเ อ, องพร้อมอไรเงี้เยเพราะเขาไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ะติดอยู่ที่ปัญญาถ้ายังไม่เห็นคําว่าอนัตตาอนัตตานี่จะไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นพระโอค์แรกพระพุทธเจ้าเนี่จะเป็นผู้ที่จะจะรู้อนัตตาก่อนเพื่อมารู้แล้วก็มาสอนผู้อื่นมาสอนผู้อื่นพอเขาฟังแล้วทุกเจ้านะครับเขาก็เข้าใจเหลังจากเมื่อก่อนที่จะเป็นี้ ป็นเป็นปลาไหลอย่างเงี่ยแต่หมองนูเขาเขาบอกนี่ไม่ใช่ปลาไหลมันเปงูอีกชนิดเป็นงูคลิปอย่างเงี้เเข้าดูยยดูมันมีนักหนัต่างกันเราต้องรู้แบบเดียวกันแบบที่พระพุทธ้าสอนสอนพวกเราที่เห็นว่าอัตฐาปวดตงแตมันไม่ใช่มันไม่ใช่วดตงอัฏฐาไม่ใช่ปวดตงสอนน่าเราเอาไปพิตารยาดู แล้วก็จะเห็นที่ท่านอ่อนนี่มันมันมันอยู่ที่ภูมิปัญญาของแต่ละคนที่ได้ได้สะสมมามากน้อยถึงเราตลอดที่ที่เราได้บําเพ็ญมามากน้อยถึนเราจะสำเน็จได้การปฏิบัติของเราในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามตามลําดับของมัน <c oughs> อย่าไปคิ่ข้ามชั้นกระโดดชั้นโดยที่ไม่ได้เรียนนั้นไม่ได้ โกหกเวลาย้ายโรงเร 6, ียนเข่ก็โกหกครูว่าจบเรียนจบปสองจต่ไปบอก่จบปสี่เขาให้ไปเรียนปห้าเด็วก็เรียนไม่ผ่านอยากตัดใจเพื่อใค่เห็นหน้าคนนี้ต่อ อดดีออพกธรรมดาไม่คยมาเงไ้รน้อเี่ดจัดงานจัดจัดงานไปใช้เงที่ชาาน่า น่าจะมีนะอนาจจะมาเที่ย่ยงมีอยู่ในวมพาปฏิบัติยังมีแต่มันไม่มีการมาประกาศบอกกันนั้นเ้เพราะว่ามันอยู่ในในโลกที่เราไม่ไม่สามารถที่จะประกาศได้เราจะมันมันมีอะไรหลายอย่างอย่างก็อาจจะสร้างลทัทธิเรียนแบบ ในคนนั้นก็ประกาศากันพูดไม่หยุดเลยแต่ไม่จำเป็นหละผู้ยอ่อมมีความพอใจอยู่กับตนเองผู้อื่นจะรู้ไม่รู้ว่า น, น, นั้นไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญ เหมือเรากินข้าวอื่นแล้วคนอื่นจะรู้ว่าเรากินอื่นแล้วไม่อื่นไม่สําคัญนอกจากนแม่เราเท่านัต้องคอยบอกว่าอื่นแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวจะโดนเรามาทับให้กินอื่น <c oughs> แต่ถ้าเรื่องทางด้านติดตาจเนี่ยผู้ปฏิบัติตัวนีเรื่องความดิิโก้แล้วไม่มีทางจะเดินจะต้องไปประทาน บ, บอกคแต่ผู้ปฏิบัติรู้กันใช่ไหมว่าองค์ไหนก็ต้องศึกษาทำร่วมกันแล้วอยู่ร่วมกันแล้วเห็นี้ จะยาวัดตุ๊กตาข้าววัดปฏิบัติของท่านแต่จะให้เียใจก็ต้องคุยกันคนคุยก็จะต้องมาทำว่าในระดับเดียวกันถึงจะรู้ได้ว่าท่านอยู่ในระดับนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าท่านอยู่สูงกว่าเราจไม่รู้แต่ถ้าท้านอยู่ร่ำกว่เราเราตัวนี้เพรเราเคยผ่านมาแนละ้วแต่ธรรมะาที่สูงกวราเราเราไม่เคยยังไปไม่ถึงเราจะไม้รู้ เราเคยขึ้นถึงชั้น14แต่ชั้น15เราจะไม่รู้ว่าขึ้นไปชั้น15เราจะมองเห็นอะไรแ้วยิ่งสูงขี้ไปมันจะเห็นไกลขึ้นไปแต่มีทั้น2ที่เราจะมองเห็นได้ในระดับนี้พอขึ้นไปชั้น7จะเห็นได้ในระดับนี้คนที่อยู่ชั้น7นี้จะรู้ชั้น9ลงมาถึงชั้น1เพราเคยผ่านแล้วแต่ไม่ชั้น11ถึงชั้น10ทั้นถึงชั้น100ยังไม่รู้ว่าเป็นไ ที่แบอยู่เสมอชั้นเดียวกันนี Compl ่มองตากันร ah, so ึเหม่อเนยฮะเห็นเไม่จิตเลยค่ะก็จะมีมีมีแค่แค่มองตาเขทราบจริงไ่อันนี้อาตมาไม่ไม่มีถกการสามารถยืนยันได้อยากบ้องพี่เจ้าอันนก้ขนาดจะจะจะนอนได้ลองเต่จิริยาการท่านพอจะเหานได้ หมูรู้สึเนี่ยรู้ว่าหูตาท่านมองเนี่ยท่านคงจะรู้หมดในความเชื่อมนที่รูสกเนี่ยนะหูตาท่านมองไม่พลาดครไม่าดใครก็ท่านมอเจอแล้วมาเพื่เจอเจอแล้วก็ไปแล้วแนละ้ว <laughs> ไม่สงสายตาเลยนะจ๊ ไม่ได้หมายถึอย่างเลยกมัวที่เท้าท่านนะเท้าท่านนะได้กลับมาท่านกาตัวใจนะท่านทบทวนที่หนูเมื่อข่าวก่อนนี้ท่านไม่กลตาพูดถึงเรื่องของทําบุญนะครับที่ว่าผลบุญนะครต่าก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งท่านบอกว่าคนที่ได้รับก็คือว่าเขาหารจะได้ฟังธรรมนะัแต่ละระดับก็มีมีศักภาพที่เหมือนกัน ให้ส่วนในส่วนความเมตตาที่เรามีให้ใครก็แล้วแต่ไม่จะเสมอตัวกันแต่โยมมีควารู้สึกว่าเวลาเราทําบุญเนี่ยนะะสมมติเราทําลวงต่าเนี่ยเดินมาทํามาที่นี่แบบนท่านอาจารย์ในความพื้นปิยินดีในใจมันเกิดความเยินทําในใจมันมีซึ่งตรงนี้มันแตกต่างกันกับการทํากับคนอื่นที่ทําแบบคนพิการหรืออะไรกันนะแตตรงเนี้ตรงนี้มันมันมันรู้สึกได้ว่มันแตกต่างกันความพื้นผิวินดีคือมันอาจจะอยู่ที่อุปทานของเราค พราะทีถเราไปทากับพระอริยะที่เราไม่รู้ว่าท่านเป็นเราก็อาจจะไม่ทำเพืงอปิิก็ได้อันนี้กลายเป็นั้นที่ศรัทธานี่ยัศรัทธาที่เรามีต่อคือนั่นหละเืออุกทานเร้่องอาองั้นอันนี้จะเป็นตัวมานก็จะว่าเป็นได้จิแต่วมันมันัก็เป็นเป็นธรรมนะคือว่าหรือบางทีเรารู้ตัวที่เราไม่ได้ใจยติดว่าเรารู้คือเราเป็นที่ทาบกันว่าเป็นพระพุทธเจ้านี้ เราใจเราก็จะมุ่งไปอย่างนั้นมันก็จะมีพักตกเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความปรุงของเราเองความิอไร่างง้แต่ถ้าไปเจอครับไปเจอกับพระจาเราก็ไม่รู้เราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่มีความมี่เจตนา จริงๆรู้แม้แต่หมาแมวเขาอาจจะมาใช้ชาติเป็นม็ดช้นสั้นอยู่ใช่ที่จริงโมทิสการอธิพงศ์ที่สาก็กด้สุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นพระพุิธจ้าก็ได้แต่ทุกคนเราลโ้มรู้ตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยกับหมากับแมวเราอาจจะขึนปิ๊กิก็ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือการทำความเมตตาในเชงหมายว่าให้เรามีจิตเมตตาต่อเพื่อนสัตว์นมโลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือัวชางทีมีข้าเทียนกัน ความเมตตามันเท่ากันเนี่ยมั้นก็เราให้น้ําน้ำแกงนี้ให้กําหมาให้กับคนก็เป็นน้ํำแกงเดียวกันหมาก็กินได้คนก็กินได้ได้ประโยชน์เหมือนกันความเมตตาให้เป็นแบบนี้่ะคือเมตตาเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีกับจิตใจเรานะกับผู้อื่นด้วยเพราะความเมตทานี้ทําให้เราจิตใจเรามีความสุข เกิดเพื่ อ, อระวังเวลาเราโกรธจะลองไม่โกเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันเวลาเราโกรธนี่เราขาดความเมตตาเวลาเราดับความโกรได้เราก็ได้ความเมตตากลับมามันอยู่ตรงนั้นประโยชน์มันอยู่ตรงที่มันทําให้จิตใจเราน่มเย็ยนเป็นสุขด้วยทําเมตตาแล้วเพื่อนคนนั้นที่เกี่ยวข้องกับเราเขาก็ร่มเย็ยนเป็นสุขไปเรื่อยดังที่สุภาษิตที่พูดไว้ว่าเมตตากํามปีนโลก ทำให้ต่างทําให้เราสงสารผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนั้นเขาจบทุกเล่ห์ยากเราถ้าเราได้ช่วยเหลือเขาเราให้ความสุขกับเขาความสุขนั้นก็กลับมาหาเรา <c oughs> หความทุกข์แก่ท่านทุขนั่นก็กลับมาหาเร า, า, า, าเลลวลาเราเกิแล้ว เ, เสียใครความทุกข์มันก็เกิดขึ้นในใจเรามันมันอยู่ตรงนั้นคือความหมายของความเมตตา เนี่ยไม่ว่าจะให้ใครให้เนตให้ความเมตตากับใครมันก็ความสุขเหมือนกันเราเนนี้าา่านถามว่าเมื่อวานนี้พวกที่ที่อะไรที่มิน้นที่หมาที่การเขาจัดยานเลี้ยงให้หมาตัวจริงติดตัว <c oughs> <c oughs> ี่น้องทบลือที่น้องตาเวลาช่วยเหลืออช่วยเหลือเงินขนาด้ป็นเดือนละเดือนละแสนเงินแสเิะแสนแต่ก็บอกว่าเขาเีค่าใช้จ่ายต้องเดือนละสี่แสนเขาก็จ่ายอาหารให้ให้ะกินคณะก็มีกายมีใจเหมือนเราที่แต่ว่าเขาไปเฉวิมยุบบาปทำเขาทำบาปมาเอชาติก่อน พตพวกเรานี้ยถ้าทําบาปแล้วชาติน่าแล้แลก็จะไปเป็นยิงของใจก็เหมือนกันใจก็มีทางอยากไ ด, าด้อยากจะได้รับความสุขอยากจะได้รับความเมตตาจากผู้อื่ใจมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามร่างกายร่างกายใจยก็เปรียบเทียเหมือนกันกบถ้าร่างใจนี่กับพุกชาติเนี่ก็เหมือนกับร่างกายกับเครื้อผ้าเลยเราจะแต่งให้เป็นพระเจ้าเป็นยิงก็ได้เจะแต่งให้เป็นขอทานก็ได้ แต่ร่างกายเราก็ยังเป็นร่างกายเดิมใจของเราก็ยังเดียดิมใจใจของเราที่เยอะต้องไปเป็นสิ่นนัไปเป็นแบบเอกสารเพราะเพราะว่าเราต้องเราก็าใช้ใช้รับทช้ยุบิที่เราทำ ม, มาแล้วมื่เกิดเป็นอย่างนี้เราก็ได้ร่างของมันแต่ใจกย็ยังเป็นใจนเดิมมีจิตโรคปวดน้องที่ความปัจจัยความเฉลียวความเมตตาเหมือนกัน เวลาได้รับความเมตตาก็มีความสุขสังเกตดูเราไปไหนเวลาคนเขทักทายยินย้ําสั่งสายเราก็มีความสุขทั้งดีคุณครั้งบาค น, าคนมีบอกว่าเวลาแผ่เมตตาเนี่ยเขาบอกแผ่ให้ตัวเองก่อนเคยได้ยินไหมครับเพราะพวกอย่างนี้ว่าแผ่ให้ตัวเองก่อนนี่จินแค่อย่างนึงเลยเพืออ่อใจเข้มนะามเพราะว่าให้เราให้ความสุขสำหับเราด้วย ให้ให้ให้ความเมตตาเราก็คือว่าเราต้องดูแลใจให้เราก็คือเราไม่ต้องต้องไม่โกรธเปนต้องไม่ไปทําบาปแต่เขาได้บพระบุญญาเขาเขารูได้ก็เหมือนเราอ่ะก็เพียงแต่ใส่เสื้อผ้าชุดหนึ่งให้เองปัจจัยใจของเราเหมือนกันเพียงแต่ว่าระดับปติปัญญาจะต่างกันก็สังเกตกันต่างอย่างตัวอ้วนอย่ง ตอนที่เขาก็ในยุคที่ด่นกันอยู่นนใช่ไหมต้องเวลาลงจากรีพรอมเสร็จแล้วกขจะห อ, อ, หอนไก่จะหันก <c oughs> น็เหมือนการสื่อสารเท่านั้นเองภาษามันไม่สามาถสื่อสารกันได้มากงันเราไปคุยกับฝรั่งนี่ถ้าเราไม่รนนู้จักภาษาฝรั่งเขาก็เหมือนหมาตัวนึ่งเราก็เหมือนหมาตัวนึง ในสายาเราก็เป็นเหมือนหมาตัวหนึ่สายาเราอเป็นเหมือนหมาตัวนึ่งภะษาพูดกัไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ใจมันก็เหมือนกันใจเหมือนกันน้ำเหมือนกันหมาก็มีอาการสามีสองมีมีนมีเล็มี่อมมีหลังี้ีระดูกมีพิษาเเป็นต่จิตของเราเป็นจิตไาาเป็นจิตที่มมีสีเจ้าเกเล็กทน้อยจ้าระตืตุ่ยนี่เป็นเวลาสาย ก็บมามันมีเรือกเลือกหัวเรื่องเนยเนี่ย้าเจอใคมันมีความอยากมันก็อยู่คนนั้นมันจะหาความกับตัวนั้นตัดอาจจะได้บ้างบางตัวถ้ามีสติปัญญาที่นึงกับช้างที่บบราณหรกัจ้า ตอนที่พระเจ้าเสด็จไปดำมันชาอยู่ในในป่าลำพังก็มีมีเรีนกระเจ้ามาอุปถัมภ์พระเจ้าคือจากนี้บางตัวเขาก็มีสติปัญญาสูงเท่ากับมนุษย์เลิสูงกว่ามนุษย์ยนธ์ เราทำความรู้ท่านแม่ก็รู้สึกวาการวิจารได้เลยถ้ว่าจะรับวารณ์กนได้ก็ใช่หมายถงยังไงคะว่าเราแบบวารณ์ท่านไม่ท้าทายเื่อของท่านท่านบอกว่าท้าทนาแล้วใชคะสงสารกันด้วยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า รเราปกติเราไม่ต้องอน <c oughs> เรามองหน้ากันมันก็สามีภรรยามันก็ส่งกระแสให้กันมีตลอดเลยนะด้วยกิริยาการ mm hmm. ที่แสดงนะกลางวันก็ยิง่งยั่จัต่อการกัมลุลละเออวันนี้ส่งกระแสดีให้กันพอรางวันก็น่านรื่เป็งใสากันในมมสกระแสไม่ดีกิริยาการมันก็บอกมันเปนเครื่องบอกกระใจอะไรคือแต่ว่าผู้รับมันจะมีคติปัญญา พอที่จะพอจะรับดูหรือไม่คนจะไม่ค่อยดูคนอื่นแต่มัวแต่คิดแต่เรื่องของตอนเองคนเองก็จะส่งสัญญาณมางานก็ไม่รับฟังเลยรับได้คือคนรจะรับได้ที่จะจะมากจะน้อยประยากจะละเอียดมันต่างกันคนเราสื่อบางทีไม่ต้องใช้ภาษาไม่ต้องใช้คำพูดใช้กิริยาการ มองหน้ามองจาพยายามหน้าหรือบาทีไม่ก้อยายามหน้าซึ่งจะอยู่ในเหตุการณ์ก็รู้ว่าจะต้องปฏิบัติยังไงกับเหตุการณ์นั้นเพราะอาศัยเคยได้ฝึกกันมาแล้วเหมือนผู้ทหารที่เป็นหน่วยเวลาเขาออกปฏิบัติการจริงๆเข้าไปมานั่งบอกว่าทํำนี้ทำนี้เพราะเขมีแผนงองเอาอยู่นะพอถึงเวลาเหตุการ์อย่างนี้จะต้องทําอย่างนี้แล้ว่าทําาำ ก็ตอนนี้ค่ะแต่ว่าหลวงพ่ควจเป็นหลอาจารย์ที่สวยสวยอย่างนี้คือเข้าใจแต่แต่คือเรามองในคนลัาระดับเรามองระดับกุฏทางนิดนั่นนิดนันแต่มองระดับปล่อยวางไม่เหมือนกัน เูต่องไงานะนะดีได้เป็นห่วงได้แต่อย่าไปจะไปบังครับกันอย่าไปฝึกจะไปลากพาไปหาหมอให้ท่านไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อันนี้เป็นการร่วงล้ำเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีแล้ว เราไปไปร่วงละชีวิตของผู้โดยที่เขาไม่มอนุ ญ, ญาต ใ, ให้เราไปทาเราเสนอได้เรารอกว่าแต่เราอย่าไปบางคนเนี่ยมาเสนอแล้วต้องไปถ้าไม่ไปแล้วจดใจเล่าคบกันเลยก็มีครูสามาแล้วไม่ยอมกันเสียใจ ดียันขยอยนครคือว่าลองเก็บเขาด้วยยังไงอะไรอย่างลงเก็บความปักนะดีความลรงดีนะครับแล้วไม่แล้ไม่ไม่มีสียงนอกจากคนยากจะมีมีมีวิธีการปฏิบัติกบบชีวิตของตนวเองเรือเรื่องเรื่องส่วนตัวก็ไม่ปล่อยเป็นเรื่องส่วนตัว ที่บอกจ้ส่งลงใจไปแล้ว่าถ้าต้องการเราจะบอกถ้าไม่บอกก็ไม่ต้องกังวลญาติโยมก็ทําหน้าที่ภาวนาตัวแล้วก็รเล่ากันไปเ่อยภาื้ขอ้านี่โดยปกติจะขอความที่เหลือจากที่อื่นนะครับถ้าเขาไม่ภาวณาตัวเขาขอเช่จนจะไปขอสิ่งนี้สิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้ไม่ได้ยกเว้นุคคลที่เป็นญาติเท่าันแต่ถ้าบุคคล น, นั้นได้ภาวนาตัวแล้วว่า จะรับใช้จะถวายสิงนั้นสิ่งนี้ถ้าต้องการตอนนั้นถ้าเราต้องการแล้วก็ บ, บอกเขาไถ้าเราต้องการจะย้มคะแนนตัวาสอไมน อ, อนเยนะนนป็นที่สบายใจจะไ้ไม่ต้องมาห่วมาคำว่าเลยอย่างที่ว่า จ, จูงใจจิตใจใจใ น, นี้นความหวังดีบางทีมันเปนเหือนอย่างนิทานที่หลวงตาเขาเล่ามาดูที่มันโดนกลิ่นวา ทำเลยมันก็ร้องไอ้เป็นตัวเอมาเห็นข้ามันก็สงสารมันก็มากระโดดบนเหบนของไม้ไอไอถี่ไม้นะ้นมันก็ยิ่งทาให้น้ำหนักถึงมันน้ำหนักขึ้นลิงก็ทิ้งถูกทําก็ร้องแรงใช่ไจริงร้องแรงก็ยิ่งตกไอตัวเอก็ยิ่งตกใจกลัวยิงมาดูกันอย่างแต่มันไม่ได้ช่วยเหลือกันมันช่วยให้ลิงตายการที่จะมาช่วยยกไอถี่ไม้นะฮะตกาง ไม่ทราบหรอกเขาไม่ได้คิดถึงใครชัดเจนการเรื่องนี้มันอาจจะมันมันมันอยู่ที่วิสัยของแต่ละคนคนที่เขามีวิสัยที่จะรับกระแสจิตของผู้อื่นได้เขาก็อาจจะรับได้ถ้าเขาถ้าเขาเปิดเครื่องรับขอแล้วกขาส่งไปแต่ถ้าคนที่เขาไม่มี ไม่มีพลังจิตในทางด้าน น, ะนั้นเขา ก, ก็ไม่รับเลยแต่เรื่องพลังจิตทางแบบนี้มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแนวทางทางการดับทุกเป็นเหมือนกับเป็นความรู้พิเศษความสา ม, มารถพิเศษเท่านั้นเองไม่รู้เรื่องเหล่านี้ก็ยังเป็นท่าอาหารได้ระดับพิกศษได้สิ่งที่พรา อ, อาหารต้องรู้ที่จะเป็นท่าอาหารได้ให้รู้ใจรักเท่านั้นเองรู้อนิจจังทุกขฐาน้ใจ ให้กาจัดอาสวะให้หมดขึ้นไปจากจิตจากใจทีื่ออาสวะแต่คนที่มีฤกิ์มเดชบางคนกับไม่ก็เป็นพระอาหา่นพระพเทวะพระนี่ท่านจะมีฤทธิ์เดแต่ท่านไม่มีท่านไม่ได้มุ่งไปทางด้านวิปัสสนาท่านไม่ได้เป็นปัญญาท่านกลับไปหลงหิบหยิบกับฤทธิ์ของท่านแล้วอยากจะใช้ฤทธิ์ของท่านเป็นบังไดก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ เราอยากจะขอสืบทอดอำนาจจากพระพุทธเจ้าเพราะตอนคิดก็ว่าต้องมีมีลทิมม์มีเดชแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าฤทธิ์เดชนี้ไม่ใช่เป็นตัวสําคัญในการในการปกครองผู้อื่นหรือว่าในการในการปกครองตนเองให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความรดุจพลจากความเจ็บ ต้องมีปัญญาคือในยุบัติยุบัติปัญญาปัญาต่อให้หอบเหินเดินอาการบด้อ่านอางติดอ่าน ใ, ใจของผู้อื่นได้แล้ลึกชาติได้แต่ถ้ายังไม่กําจัดไม่มีปัญญาที่กําจัดความโลกความกูดควออามหลงผิดก็เป็นพาาระอรหันต์ไม่ได้ปัญญางลงประเด็นตัวฤทธเดีย๋ยนี้มันอยู่ในขั้นสมาธิมีต้องมีก่อนที่พระพุทธเจ้าตัดสุลิเป็นพระพุทธเจ้า พวกต่วันโบราณพวกอยคีอือรก็อืมโยคีโยคีที่ไทยที่เขาอยู่แล้วแล้วก็ ม, มีมีวิชาต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้มันยังอยู่มันยังเป็นเครื่องมือของกิเรนกิเรตมาใช้แต่เขาเรียกวิชามานนะวิชามานใช้วิชาเหล่านี้มาเพื่อให้ได้มาเพื่าตามาตามความโลกตามความอยากหรือตามความโกรธขตน ถ้าโยบใครก็ใช้ลิ์เด่นนี้ไปทำร้ายที่อื่นอย่างสมัยนี้ฤิ์เด่ก็อย่างเช่นทุกอาวุธต่างๆก็มันก็เป็นอย่างลิ์เด่นะครือนกันเพีงแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเอามาจากในใจแต่มันเป็นเครื่องมา้าเครื่องมือที่ใจผลิตขึ้นมาแทนเป็นอาวุธยุทธโภคภัณ์ต่างๆก็เอามาเห็นภาค่าคอะไอย่างนีน้แต่ถ้าเป็น เป็นผู้ที่มีทําแล้วอวีธต่างๆ น, นี้จะไม่เอามาใช้ถึงตาผ้อื่อาจจะเอามาปราบได้เอามาป้องกันได้แต่จะไม่ไดไปทำร้ายผู้นื่นเพราะฉนั้นอย่าอย่าไปยินดีกับเรื่อเล็กเด็กหมายถว่ามันเป็นของแขน ไปกานกับข้าวอย่าไปเอาของแถมแล้วรนินเี่กับข้าวกัวบบ้านรินเี่วชอของแถมเยอไปดูทุกวันไ่ไคือไปซื้อข้าวกัวขบข้าวกับปลามาข้าได้ของแถมมาด้วยก็เอามาไม่เป็นไรแต่อยาอย่าทิ้งกับข้าวกับปลาแล้วอ า, าของแถมมาอย่างเดียวีย๋ยวตาย ถ้าไม่เจริญปัญญาไม่เจริญพิไรพิจารณาตาลรกะก็ะจะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากทางจิตได้<ม>ถึงจะพิจารณาได้อย่างต่อเ น, นื่องก็ต้องมีจิตที่สงบมีสมาธิจิต ท, ท, ที่ตั้งมั่นไม่วอกแวไม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆนั่นทั้งสองอย่างที่มีความเป็นๆท่านหลว่าต้องเจริญสลับกันไปนห้นการเดินเรามีเราต้องใช้ทั้งสองท้าคือท้าซ้ายและท้าขวา ถ้าเราก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาล้วก็ยังไม่ได้ก้าวพอวางเท้าซ้ายเสร็จแล้วเราก็ก้าวเท้าขวาต่อไปสมาธิก็เช่นเดียกันพอเราทําจิตให้สงบแล้วเราก็มาเจริญปัญญาพอเจริญปิญญานกระทั่งจิตมันคลุ้งตาแล้วก็หยุดก็กลับมาทําสมาธิต่อแล้วกลับไปออกจากสมาธิก็ไปเจริญปัญญาไปเราจะสนับคนนี้กันคนคนเทาเดินก้าวเดียว ใช้ช่เท้าเดียวเดินนี่มันจะจ ะ, จะเดินเดวบอกคนใช่สองเท้านี่นะถ้ะาเราดีสองเท้าแต่ใช่เท้าเดียวก็ะเย็นไปกระโดดไปทีละเ ท, ท้าทีละเทา้ามันก็ไปไม่ถงยงไงถ้ามีสองเท้ามันจะไปเลยสมาธิสักหนถึงปัญญาปัญญาก็ทําให้จิตมีความหนักแน่นมีความสงบมั่นคงมากยิ่งขึ้นไปก็ราะความไม่สงบความความล็กแวก ความหวั่นไหวของผิดมันเกิดจากความยห็นความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นตัวตอนนี้แหละทําให้มเกิดความหวั่นไหวขึ้นมาพอมมีตัวในตอนแล้วมันเกิดการหวั่นไหวว่าจะเกิดอะไรกับตัวพอไม่มีตัวไม่มีตัวนล้วมันก็ไม่หวั่นไวหรือจะเห็นจะเห็นการไม่มีตัวตนก็ต้องคิดแต่หนาเยาะเย้ยหรือที่เดีย เพตัวตนมันไปรวมอยู่ในร่างกายการต่างๆเห่านั้นเราก็ต้องแยกมันออกมาทำลายมังให้มันเอาแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนเหมือนกับรถเดินเอารถเดินนี่แยกออกมาเป็นชส่วนไปเลยจำเป็นว่าันหนึ่งนั้นมันไม่เป็นตัวรถเดิมันเป็นเพียงแต่ชิ้นส่วนต่างๆมีล้อมีเครื่องยนต์มีบาะมีที่นังมีกระจกอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวเป็นตน พอมันเรารวมกันเท่ามันก็เห็นเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้าไปยึดไปจุดว่เาเปนตัวเป็นตน ส, สิ่งนี้เราทําได้เพียงแต่ว่ามันต้องมีเวลาต้องมีเวลามากถ้าเป็นสารวัตรญาติโยมเนี่<ม>ก็ทําได้ถ้าเราไม่มีพระมไม่มีภารกิจเช่นเป็นแม่บ้านอยู่ยบ้านทั้งวันไม่ตก็ออกไปทํา ง, งานขาันใจ ทำงานบ้านก็เป็นเหมือนกับเป็นพระเนี่ยน้างเท้ยร้างช้างก็พุทโธไปพิจารณาไปหุงข้าวก็พิจารณาไปได้ถ้าเราทําจทธิ์ที่เราต้องทำเราทำทเพียงเดียวไม่ต้องไปยุป่งเกีเเ่ยวกับคนอื่นเนี่ยมันจะสามารถทําจทธิ์ภายในได้แต่ถ้าเราต้องไปคุยไปสทนทนาไ ป, ปศึกษาหารือกับผู้อื่นเนี่ยสิทธภายในมันจะทําไม่ได้แล้วเวลาพระ ถ้าพระดวงพระตาท่านทำเก่งนี่ท่านจะไม่คุยกันมันเกเยอะใครมีหน้าที่เวลาก็ทําหน้าที่ของตนไปและใครนอกจะทําไปภายนในก็ภาวนาแต่โดยที่เราไม่รู้ว่าท่า น, าาานภาวนาแล้วก็พิจารณาแล้เป็นอาหารก็เลยพิจารณาให้มันเป็นปฏิกูลไปก็ะน้อาหารในทั่นี้เวลาเข้าไปในท้องแล้วมันเป็นะไรเวลามันออกมาแล้วเป็นยังพิจารณานั้นความความยินดีในในอาหารนั้นจะหายไป พมไม่ทรางหรอกพาะเราไม่ได้ตำแหรับเราเนะแต่อาจารย์คนอื่นท่านอาจะทราบก็ไ้พราะอยู่ ท, ที่อยู่ที่พลังจิตของแต่ละทา่านไม่เหมือนกันทางด้านนี้มันเป็นเรื่องเป็ น, นความสามารถาเฉพาะตัว พาาระพระญาบุคคลแต่ละองค์นี้ท่านมีมีความสามารถเฉพาะไม่จ่าแม่โยนกันอย่างที่พระพุทธาสม ย, ยกย่องยกย่องความสามารถพิเศษของแต่ละองค์ทรยกย่างพระมุขคยาเกี่ยงทางด้านฤทธิ์พระส า, ารีบุตรเกี่ยทางด้านปัญญาพระจิวเวรีเป็นทางด้านทานบาลีนั่นไปไหนนี่จะมีอ น, นิอนนสองของทานบาลีของท่านจะปรากฏอยู่เสมอโดคนนี้ รอบทำยิ่งถวายทางกันกากถ้าอนุนี้ท่านจะมีความเก่งทางด้านความจำเป็นผู้ฝ่าย้ฝ่าฟังไดททท้ทุกการเทศที่พระเจ้าเทศทุกันรมีจําได้เนี่ยแม้แม้แม้แถ้าพระอนุนมไม่ได้ไปทำด้วยตัวเองก็ยังบางครัให้พระเจ้ากลับมาเทศให้พระอนุนฟังเเป็นเนื่อนไขข้อหนึ่งที่พระอนุน สร้างไวกันหลบการรับหน้าที่เป็นพระอุปถาหรือถ้าถ้ามันมีจิตอย่างอื่นแล้วไม่สามารถติดการพระพุทธเจ้าไปในในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้นั่งแสดงธรรมได้หลังจากที่พระพุทธเจ้ากลับมาแล้วต้องแสดงธรรมให้พระองค์ฟังอันขอเป็นพรการนี้เนั่อแต่เราองค์แต่ละทางมีจิตเป็นอุปทานสามารถไม่เหมือนกัน ในสมัยปัจจุบันเท่าที่ทรา ก, กันอย่างหลวงปู่มั่นนี้ท่านก็ติดต่อเทวดาได้ทีเทศมาฟังเทศฟังธรรมทา่าน อ, อ่านจิตใจได้อย่างที่ท่านอยู่บนเตียงถ้ำก็มีดวงกายอยู่อยู่ที่ปีนเขาเวลาท่านนั่งภาวนาทรงจิตไปหาลงาวงตาตนั้นก็เห็นแต่คิดถึงนี้นถึงแต่บ้านเห็นแต่ลูกคิดถึงแต่ลูกคิดถึงแต่ภรรยาพอตอนเช้าดวงตาหลวงปู่มั่นท่านทักหน่อยนี้เขา หลวงพ่อ เ, เนี่ยแก่อานเป็นยาหนีไปเลย <c oughs> อันนี้นเป็นความสามารถเฉพาะตัวแต่และองค์นี่ไม่เหมือนกันจย่าของหลงจารยนี่จะว่ามีมีการมีการพูดกล่าวกันอย่างไรบ้างแต่ทชัดก็คือเรื่องการแสดงธรรมเทศนา การว่าเกิเป็นาว่าการคอยฟังแต่เรื่องอ่ า, านใจของนี้ก็มีคนจาบเป็นเงนไขว่าบางทีเขาคิดอะไรนี้ยังไม่ได้ทําไปตัดท่านท่า น, นก็จะท่า น, นก็จะตอบมามีคําถามอยู่ในใจบางทีไม่ทันต้องถามท่า น, นก็จะตอบให้เราฟังอันนี้จะเป็นความมังเอิรหรือไม่ก็ไม่รู้ แต่เรื่องเหลนี้เราไม่เขียวว่าเป็นเป็นประเด็นสำคัญแล้วไม่อยากจะให้หลวติดหนึ่งเพราะจะเสียเวลาให้หันมาเวลามีทุกข์อย่าไปคิดถึงอาจายมองมองว่าทุกข์เราเกิดจากอะไรทุกขมันเกิดจากจิตใจ ค, คามอยากมันต้องอยากอะไรสักอย่างอย่างนีนะ้แล้วไม่ได้สลความอยากหลวงก็ทุกข์ขึ้นมา ก็ตักความอยางนั้นความทุกข์มันก็มันก็ับอันนี้จะเกิดประโยชน์มากกว่าข้าวมันไ้ขาจนนิรภัยมาด้วยไม่เหนเลยเลือกอไม่ข้ปล่าไม่ปล่า ไม่มีจำสันยิ่วันเดียว่าจะไม่ก็กล่าวว่าอาจจะมารากที่ารตั้งถิ่นฐานถ้ามีโอกาสหน้าก็ต้องมาฝากกับพ่อสั้งใจที่จะทำขาต้องอยู่ได้นานเท่าไหร่ไม่ก่อนละข้าอนุญาตยืมจะเป็นสองปีโอเคเดี๋ยว่อมารายมอีกหนึ่ เราหายแล้วรออยู่าณวสิบแปดที่คงหายท่าไห่จาไวจะดีเวลาถ้าท่านเป็นพระผู้ให่กับเราก็ได้กาบท่านได้านนลับาจากคนที่เป็นดาเนี่ยเป็นาวเกเป็นดาวก่อนาจะวันช่ก่อนก่อนสงวนช่เ่ป็นหน่านจชงปีเป็น่าวันช้่องปีโอ้นี่ต้องออกแ้่จังสี่ปีเด็กดาวไวากขึ้นเป็นส ท่านเป็นสายลูกคเณท่านจะได้ท่านจะอยากจะทราบว่าเราเปันการถือใจทำยังไงพราะถ้าปล่ให้ภาพผู้ใหญ่จับเานก็ไม่ดีบางทีแ hmm. ต่ส <oh> ุนย mm ์แ hmm. ล้วมันจะจับภาพผู้น้อยกับเราเพราะหน้าตาเราออกแ็่ไหนก็เชื่อเราก็ไม่กล้าถางสาษแล้วก็กลับก็กลับล้วันหลังมคุยยังก็รู้ว่ามาเท่าอ่อนกัน อันก็เป็นเวลาทางจับก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นการอ่อนน้อมทำอ่อนน้อมทำตนไม่สิ่งใดจะถามกันก่อนใช่ไหม่านอาจคงย์เป็นอย่างนต้นถ้าถ้าถามกันได้าาก็ถามไปเลยาะไม่ถามก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ใครจะจัดการ บางแห่งก็เห็นก่าต่างฝ่ายต่างกาศก็นีเห็นมือมือโยมมือโยมมือไหว้ต่อกันแล้วกันถ้าไม่รู้ภาษาจ็ต่างองค์ต่างจินใจกันก็ต่างองค์ต่างๆไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเวลาเราเลิกถึงว่าพุทธเจ้าอยู่ในต่างจากต้นไม้แห่ง้วกาศเป็นทิศไหนก็ได้คิดถึงคกูบาจางกาศไปทิศที่เราคิดว่าท่านอยู่ ก็ได้จากท่านเองอาจารครับผมขออนุญาเรียนถามนะครับแต่ก็ไ้ดีนะว่าพักษณเนี้แต่ตอนนี้คืนที่ท่านเล่นความเพียรอย่างมากเกินไปแล้วก็ถนัดที่ท่านจะลงโจทย์นอนๆให้ท่านเด็กแบบนี้ว้าท่นหอนายจะได้แต่ผมก็ยน่กเจ้าเนี่ยงใจจรูาจะไม่ยกขึ้นจากการธรราจกวาจะแบี้เมือความเพียงเหมนกันในทิ่ากั คอในระเบินี่มันต่างกันแต่ความเพียรในในจิตใจในเหมือนกันก็ไือว่าเราเรานั่งสมาธิแล้วเราต่อสู้กับกิเลสตหาก็ได้หรือเราอยู่ในอระบิดยืนหรือนั่งหรือเดินหรือจะนอนนีก็ก็ก็ตัดกิเลสได้เหมือนกันทีนี้ในภาวะของแต่ละคนภาวะจิตของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันภาวะของพระเจ้านี้ก็ต้องนั่ง นั่งอยู่ในที่นั้นเป็นเดาเป็น ด, ดาตัได้แต่ในกรณีของพระนี้ท่านท่านอยู่ในลักษณะว่าท่านไ่ยึดไปติด ก, กับคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าจิตในไม่ป่อยวางมากังวลมาคิดถึงว่าเมื่อไหรจะบรรลุกสิพระพุทธเจ้าบอกว่าจะต้องบรรลนนุนั้นแน่นอนความเพียรจะเล่เ น, น, นเต็มที่แล้วทุกการทุกอย่างหมนแล้วแต่ มันก็ยังไม่บรรลุก็ลเลยเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาและยิ่งเวลาใกล้เข้ามาเท่าไหร่มันก็ยิ่งวิตกกังวลอย่างจิตก็เลยสร้างกิเลสขึ้นมาแทนที่จะสร้างธรรมะขึ้นมาคือการที่จะหลดควานมันจะต้องปล่อยวางทุกอย่างและแต่ทําพยายกรณ์อพอพระอนุนเห็นว่าใกล้สว่างแล้วคิดว่าหมด ที่ว่ามีข้งนี้ข้างหน้าที่พระพุทธเจ้าพยายามติดภาพก็ลเลยจะไปพัก่ขณะที่กําลังจะระว่างนั่งกับนอนจิตก็ไม่ได้คิดอะไรจิตก็ปล่อยวางทาพยากรณ์ปล่อยวางทุกสิ่งทุก อ, อย่างพอจิตว่างความนั้นก็หลุดเองอันนี้มันต้องปฏิบัติ ผนจะดูเวลามันหลุดยังไงเพราะเราองนี้มันหลุดแบบง่ายๆแบบที่เราไม่คิดมยก่อนอย่างนี้องค์หนึงที่ท่านมันรู้สี่ท่านเลยนะที่ท่านปกครองพอพอมีตรวงศ์สีสาะขั้นแรกกับรรดุเป็นเสอดาพอลงทั้นที่สองก็เป็นขั้นเศรษฐีบาราคปัญญามันขยับไปเรื่อยๆมันหมุนของมันไปเรื่อยๆเหมือนกับไฟไฟที่มีเชื้อพอไฟมันติดแล้วมันก็ไฟมันได้ การบรรลุนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อิเลียมมืนมันอยู่ที่สภาพจิตที่มันพร้อมจะบรรลุในขณะนั้นมีอยู่รูปหนึ่งท่านมีปัญหาแล้วจะไปจากท้องทิศย่าก็เดินมาถึ ง, งกุฏิฝนตกยังยังไม่ได้ขึ้นไปก็ยืนรอยอยู่ที่ชายทาท่าเห็นน้ําฝนที่ไหลออกมาจากชายคาแล้วลงมาสู่น้ําที่อ ย, อยู่ที่อยู่ในดินก็เห็นบรรลุเป็นฟองน้าเกิดแล้วกระดับไปเกิดแล้วกระดับกไปก็พิจารณาฟองน้ําแล้วบรรลุไป ก็เลยไม่ต้องเคลนไปตางทิจตยาไม่ต้อไปถามทกก่านวิจตยาเพราะสิ่งที่ตนเองอยากจะรู้เห็นรู้อยู่กับใจนะยังการบรรลุธรรมนี้ไม่จด้จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในท่านหน้านั่งขัดสมาสมาประการอยู่นในอรี่ยวแรงใดก็ได้เพราะจิตันสาถ้ามันพร้อมอยู่ในภาวะที่มันจะพร้อมมันบนรลุได้มีภาพรูปหนึ่งท่านติดในทางทางด้านความสวยงาม เพื่อเสร็จทำวิปาก็ให้ไปดูชาติศุขของโสเปนีที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นโสเปณีที่มีคามสวยงามมากพอดีเขาตายก็ให้ไปดูชาติศุขไปพิจารณาพอพิจารณาปั๊บก็มันก็หลุดองเพราะจุดของแต่ละดวงนี้อาจจะไปไปจุดอยู่กับดดจุดใดจุดหนึ่งไม่เหมือนกันอย่างพราหมณนี้ไปจุดอยู่ที่ทำพยากรณ์ของพระวิปย่า <c oughs> ว่าจะบรรลุ แต่ไม่ไม่นด้มายความว่าถ้าไม่ได้บำเพ็ญ อ, อย่างอื่นอย่างอื่นท่านก็บำเพ็ญอย่างหนึ่งแต่บางมันติดไอ้ปมสุดท้ายปมที่ทําตำไปก่ อ, อนแล้วต่อความอยากที่จะบรรลุความอยากจะบรรลุก็เป็นก็เป็นสมุทัยความอยากเป็นธาตอาหารในตอนนั้นก็เป็นอุปสรรคเมื่อตอนนั้นเป็นตัวผลักดันให้เรามาแต่พอมาถึงจุดนีน้แล้วแล้วแต่ความอยากทนิพนานก็ต้องตัดไปเพราะมันเป็นสมุทัย มันจะรู้อยู่ตับใจคนที่ปฏิบัติมันจะรู้ว่าอะไรมันคาใจอยู่เหมือนัอะไรที่มันมีก้างติดคอเราคนอื่นไม่รู้ว่ามีก้างติดคอเราแี่เรารู้แล้วเราต้องเป็นคนที่เอามันออกเองพรจะเข้าใจนะเข้าใจนี้ สอนปฏิบัติไปเถอะแล้วมันจะเห็นเองมันไม่มีอะไรมาปกปิดไม่มีอะไรมาติดขั้ดการปฏิบัติงานแต่ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วต่อให้ฟังไปจนวนตายมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่รู้คือฟังแล้วเข้าใจได้ดับความสงสัยได้แต่มันไม่มาแก้ปัญหาของเราได้ปัญหาของเรายังไม่ได้รับการแก้ไข ผมขอให้เราเห็นความสำคัญของการปฏิบัติการศึกษานี้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเราจะอุทิศชีวิตของเรานี้เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติโดยการทําหน้าที่อย่างอื่นเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนให้เราได้มาทำในหน้าที่นี้ทํใเราจะทำมาหากินเราจะทําอะไรดูแลพ่อแม่หรือทำบุญทำทานอะไรก็ตามขอให้คิดว่ามันเป็นการเป็นการสนับสนุนให้เราได้มาศึกษาได้ปฏิบัติ าเนื้อๆอของมันอยู่อย่างนี้เนื้อหาสาระการเปลี่ยน้อลงของชีวิตเราอยู่งนี้อยู่ที่การศึกษาที่การปฏิบัติเพื่การหลุดพ้นจากความทุกข์มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้บป่วยไป่วยเวลาไม่สบายก็วิ่งหาหมอกันทุกคนเลยไม่มีใครอยากจะไม่สบายไปตลอดเวลาอยากจะหายกันเท้านั้นเนาะเพราะเราทัไมไม่อยากจะคนทุกข์กันบ้างเราทุกข์กันมาตลอดเวลา แต่เพรเอำนาจของกิเลงมันแรงมากมันทําให้เราโลนเรารักรักความผิดหรือเห็นผิดเป็นชอบเห็นทุกข์เป็นสุขเรากอดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวรักความทุกข์กฎธรามต่างๆนี้แ เ, เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์เ<ม>สียดายอันนั่นก็เสียดายอันนี้ก็เสียดายอันนั่นก็นอย่างได้ไอันนี้ก็อย่างได้เรารู้เรืความทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เรามองไม่เห็นเลย <c oughs> เราสัตว์บางที่ไม่หมดเลยอยู่แบบไม่มีแบบเอ า, าท่านจะเป็นดู <c oughs> แลเราจะมีความพึงใจในตัวเรา <c oughs> ก็ผู้อื่นทําได้ผู้อาชีพที่เร า, ากราบไหว้ท่านก็ทําได้แล้วว่าทำไมนจะทําไม่ได้ <c oughs> ก็เราซื่อสิเลเราไม่ได้พอ <c oughs> ฟังเราชอบ แต่พ่าถึงเวลาเราปฏิบัติเราไ่ปบเหมือนเราไปดูงูเราเทียนักงูชกซ้ายชกขวาได้แต่ให้เราขึ้นไปไปที่ยวชงไม่เอาเพาเรากลัวลำบากถามมึนทามนี่หนัอก็ลำบากแล้ยค่อยๆตัดนะเค่อยๆลดถ้าไหนเราไม่จำเป็นก็ค่อยต งั้นมันก็ไม่กล้าหน้าพระจีถ๋ถึงที่ตัดได้ก็ตัดถึงที่ทําได้ก็ทำต้องทำํำทั้งสองอย่างต้องลดต้องละแล้วก็ต้องเสริมสร้างสิ่งที่เัาไม่มีทานถึงภาวนาเรามีน้อยก็ต้องเสริมสร้างให้มันมีมากขึ้นสมบัติข้าวของเงินทองสิ่งที่ไม่จําเป็นตา่างเรามีมากก็พภาวนาเพิ่มขึ้นกับโดยจากธรรมะต้น เราจะพัฒนาข้ามหน้าไปเรื่อยๆขายขอได้ยังาราะว่าจะปีใหม่แล้วจะถนัดเป็นาวหอก่อนแล้ก็นำของมันต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติด้วย ถ้ฟังอย่างเดียวแล้วไม่ได้ปฏิบัติมก็ไ ค, คอดหนาโอกาสขอขอก่อนาาปีใหม่แล้วกั ว่าที่เราบริการ e นติสาขารังเอวันวาอุตตุนังติตังอุปตะปฏิบิตังปิตังุหังพิตเนวาสุิจตุวตุอุเริงตุสังขปาจัทุญญระโยัคขานิจติรโยัาสัพพโยวิวัตสุทัตตารโภวิมุตต มาเตทวทวันตระโยตุสีทิไกโตทวัอาสวะทนสีริจามิจางุตาปจายโนจตารุธมะวะทันตรปายวันโยสุขังภะยานาลูหายดีแล้ว <laughs> <laughs> <laughs> สมัยนี้พวกเราก็โชคดีมียารักษามีหมอรักษาให้ให้ยื้อใจยื้อใจได้ไม่ได้ยื้มาแล้วเรายามาปฏิบัติธรรมมาทเลยตยาตัวเที่ยวเที่ยวพอแล้วเที่ยวสี่ครั้งมันก็เหมือนกันคือปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมได้หน้าเท่ากนจะยิ่งดีข <ah> ึ <may may ้นมากขึ้นไปท จิตใจเราจะมีความสุขมากความความตื่เต้นอะร่างเง้ยแ่แต่แ่แต่าต่แต่แต่แต่วต่แต่แต่่แต้แต่แต่แต่แต่ต่แต่แตต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่มต่แต่่แต้แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แ่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แไม่แต่แต่แ่ ไม่หรอกอาจจะมีสาเหตุอื่นใช่ไหมถ้าเราไม่กลัวมันก็เป็นปัญญาการตางมันมีอะไรหลายอย่างที่มันทำงานที่มรนอาจะไม่ม่ทราถึงการทำงานมันจะขึ้นเพราะมันขึ้นแต่ขอให้จิตใจเราดูไว้ก็แล้วกันมันจะขึ้นจะรามันก็เป็นการมเรื่องมอนกรัมขอให้จิตใจเราดีให้เราสงกได้ให้มีได้เราสได้ อันนั้นเป็นต่อไวกันเลยที่เดี๋ยวนี้วทีู่กคุณนายจะนไหนบ้างไม่ต้ไปอะไรด้วยพอหล้ว แต่ความจริงวันที่4เราก็ไม่ได้อ่อนน้ำแน่ๆนะเพร า, า, เาะเป็นด็กทางลาดทั้งเนะถ้าถ้าเขาไม่มาตามไปก็ไม่รบกวนแต่แต่ถ้าเขามีเหตุมีอะไรต้องตามให้ลงนไปก็รว ป, ปกติจะไม่ได้ต้อนท่านเนี่ยต้นท่านมานอกจากมีบรรทางมาหลอกให้ไปิมีเงื่อนบางอย่างจะต้องทำแบ่ถ้าแต่โดยปกติาะไม่ได้ต้าไม่ได้รับตรงไปเลย คือมีพระเขาทำหน้าที่อยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นรดาลับส่งเสด็จเขาไม่ใชจ้าเลยไงเพราะนั้นคนดีเพราะนี่าลวงพระมัน999ลูกพระมาแต่ละองค์ก็คงจะต้องมีายาเิโยนพามารดลางหนึ่งก็จะลาแน่นกัน ก็จะมีทิกคืประมาณบ่ายโมงตรงไม่ใกล้แต่ก็จะดีตัวทุกคนประกาจะราังในทุกการนะวันนี้ทานจารย์ถามท่านามว่าเลขหน่งมีความสิถ้าไม่มีสามหนึ่ พอไปทั้งไปไปตาหัก็การธรรมดาที่นี่ก็มีไม่มากมีประมาณสอคหนึ่งเขาว่าอาจารย์ไม่ไได้สอนไม่ไสอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทอะไรไม่ได้ทาทำุานเที่ยวถึงก็มันไม่ได้อยู่ในพระาอย่างนี้กหนึ่งเราก็อยู่ในฐานะผู้อัยวัดกี่ แล้วคนที่เข้ามาก็ไม่ได้มาถามเราไม่ได้มาเข้ามาก็เป็นวัดเป็นีเป็นพิธีอะไนี้เข้ามาแล้วเราก็เปิดเปิดให้ว่างๆใครสนใจอยากจะมาศึกษามาถามเรานะสอนให้ถ้าก็ไม่สนใจเราก็ไม่ได้สนกษาแล้วปล่อยให้อยู่ตามปิัติธรรมปฏใจนีคนบางคนเ้าก็บ่งทีเขาก็อยากจะมาอยู่ับบคณะที่ทุรยานียู่คณะที่มี มีถ้าๆมีกฎมีระเบียบที่ตายตัวแต่ที่นี่ค่าๆจะเมนมหาไรรัาของผมคือการตัวใจใจอะไรใรอยากจะไปยังใจอยากจะปดบ้างใอยากจได้างใจอยากจะปดู บ, าบา้างก็ไม่ได้ไปบงก็ไม่ได้ก็เลยเ ข, ข้าง่ายออกยากนีเข้าเขาง่ายออกง่ายแต่ทีออกท่ทุกวันนี็กด้วการสมักใจมไม่ไมออกเลย ก็ก็มีส่วนไม่ต้องทำอะไรแต่ส่วนใหญ่พระท่านก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรเราจะยังไม่ทำเลยอ่านหนังสือทางุิชาการไม่มีู่ทพระจันท์หอไก็คือการปฏิบัติของตนเองที่ผ่านกนไม่ค่อยได้คือทุกๆทำงานทั้งนั้ ไป่็ไม่ถึงไหนแล้วพอเจอพัฒนาก็จอดถ้ามันผ่านตอนิดไปหน้าก็ไปไปเรื่อยๆตอนี้อายุมากแล้มีปัญหาแต่จึ่ก็ดื่มทำได้บ้างถ้ามันนั่งไม่ได้ก็นั่งได้นั่งเร่อยๆก็เป็นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผนเท่าที่ควร แต่ก็ต้องอํารักสาภาพว่าเครื่องม้าเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติงนความรูสกตัเดินก็มีต้มที่มาตลอง้มแต่ช่วงนั้นีก <c oughs> ็หมอกว่าคุลราจะได้ <c oughs> เนได้ต้องทำในกาการการศึกาเทาร่างกายก็เหมือนรถเดิ <c oughs> ถ้ามันรถใหม่มก็วิ่นได้เรง <c oughs> ถ้ารถเก่าก็ต้องค่อยค่อยไป <c oughs> ตัดใจไปตอนนี้ผมอายุยีสิบเน่ยตอน้อายุหกสิบีล้วไม่ไหว